สระอาจารย์ครั บ, บระะการรัราชการครับผมอาจารย์ครับคอนะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้มีคนมารอฟังตั้งหกร้อยกว่าคนแล้วครับอาจารย์คนสนใจกันมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อที่ส่งไปพระอาจารย์ดูครับคือเนื่องจากว่าตอนที่เวลาไปขอบวชผมจําได้ตอนที่ขอบวชนะครับ อันอุปชาก็จะบอกว่านี่บาทนี่นั่นป่าอะไรเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับแล้วท่านก็จะสอนกรรมฐานเบื้องต้นให้ผมก็จําได้ว่าท่านให้ต้องเกสาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณนะัทขาโลมาเกสาอันนี้คือกรรมฐานห้าคิดว่าน่าจะสําคัญมากๆผมก็เลยคืนนี้ขอกลับเรียนถามอาจารย์ครับว่ามีความสําคัญอย่างไรแนละ้วถ้าจะฝึกฝึกอย่างไรแล้วก็ถ้าฝึกแล้วได้อะไรครับอาจารย์ครับกลับาามาครับพี่ต่ายับผมออกรรมฐานห้านี่ย เป็นอาการส่วนหนึ่งของร่างกายที่พระเจ้าทรงบัญญัติหรือบังคับให้พระโอปชาติที่บวชพระนี้ต้องสอนเ <Yeah. S 1> พราะมันเป็นเหมือนอาวุธคู่มือถ้าพระเ ป, เปรียบเทียบนักบวดไปเหมือนอาหาราก็ต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเออาวุธที่จะป้องกันพรหมจาร์ของนักบวดก็คือการวิจ า, ารณอาการ ส2สองของร่างกายแต่เนื่องจากว่าเวลาบวชนี้มันไม่มีเวลาที่จะให้มาสอนทั้ง3ามจสองาการก็จ ะ, ะให้สอนเพียห้าอาการแรกก่อนอาการที่อยู่ภายนอกคือเกศาเกศาคือผมหน้าขา เ, เกศาลงมาคือก่อนหน้าขาคือเล็บกรตาคือฝันตาโจคือหนัง ทำปฏิรูทปทำอนุลงและปฏิรูปอนุลงและปฏิรูปผมขนเล็บฟันหนังแล้วต้องหนังหนังขนหนังเล็บฟันขนแขน็งจะให้ชํานาญว่ายังไงให้แต่ในเบื้องต้นนี้ในช่วงที่บวช น, นี้มันอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะให้ให้ท่องทั้งสามทีสองมากเกินก็เลให้เริ่มที่ห้า ก, การแรกก่อน แต่เป้าหมายหลักก็คือให้พิจารณาให้ครบทั้งสาสิบสองาการเพราะว่าเพื่อจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นของที่ไม่สวยไม่งาเป็นสิทธิเสื่อไปรเรื่อยของปัจุบันนะครัเพราะว่าพรามจาันนี้จะจบทำลายได้ถ้าไม่มีอาวุธป้องกันอาวุธก็คือในการพิจารณาร่างกายพิจ า, ารณาทสามสิบสอง เร่มต้นด้วยกรรมฐานห้าเริ่มตนด้วยอาการห้ า, าการแรกทำไมไม่สอนสารีสองนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลามันมันไม่พอนเนีเ่ยนะครับแล้วผู้ที่มาบวชใหม่ก็อาจจะจาไม่ค่อยได้ทั้งหมดเนี่ยก็เลยให้สอนเพียแคอาการกับแต่เป้าหมายก็คือต้องการให้เห็นความไม่สวยงานของร่างกายความมีสิ่งปฏิกูลตานนน่างๆอยู่ายในร่างกาย ซึ่งจะเห็นได้ต่อเมื่อเรามองเข้าไปนีกว่าอาคคากาที่มองเห็นจากภายนอกเราต้พิจารณาต่อไปเมื่อถึงนเห็นเห็นหนังแล้วก็ต้องเข้าไปที่นเนื้อที่เอ็นุดกระดูกที่เยื่อในกระดูกแล้วก็ไปที่อวัยวะปี ม, าม้าที่ปวดหัวใจกับไ ต, ตทั้งคืําำไส้ใหญ่ลาไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็เยื่อในสมองศรีรษะ อันนี้เป็นอาการที่เป็นส่วนส่วนแข็งนะครับนานๆๆพิจารณาน้ำต่างๆน้าเลือดน้ำเหนียน้าเลือดน้าเหนีาน้ำเหนียน้ำมันน้นน้มันใสน้ำตาน้าลายน้ำาลดน้ํามดให้พิจารณาให้ครบสามสิบสองอาการให้พิจารณาอยู่เรือไม่ใช่พิจารณาเฉพาะเวลาปวเท่านั้นปมญาเจ มันจะมันจะทำแค่ตามเวลาบวชพอบวเสร็จแล้วก็เลยกลับมาทาหน้าไป ไ, ไม่รู้ว่ารคไปทําอะไรเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้บวชเพื่อที่จะอยู่เพื่อจะรักษาพรมรร์อยู่เพื่อสละอยู่เพื่อที่จะสละพรมรรคคือพอเริ่มบวชปัก็เริ่มนับถอยหลังแนละ้วไอ้ปูบวชกี่วันวนะจะได้กลับไปท้าลูปขาพี่ท้าแฟนเนี่ยจิตใจต้องได้อยู่กับอาการ กรรมฐานห้าถ้าจะไม่มีใครรู้เลยมันคนที่ถามใครรู้ที่ว่าบวชนะกรรมฐานห้ามีไว้ทําไมมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เสกเข้าใจไหมครับได้เห็นอาการสามถึสองแล้วมันจะไม่อยากเสกเพไม่อยากจะกลับไปหาของที่เป็นสิ่งตกปลวกเป็นตติพูดแต่แล้วไม่พิจรารณากันมันก็เลยเสกกันแต่วันนี้เสกกันว่าเล่นอบวชแล้วก็เสกบวชแล้วก็เสกกัน มาา บ, บวชก็อยู่พวกที่อยู่นี่นมีจํานวนน้อยพวกที่บวชแล้เสร็จนี้วิจํานวนมากที่ยุคนี้กลายเป็นธรรมเนียมซะแล้วว่าต้องบวชหน้าไฟใครตายก็ต้องบวชถ้าไม่บวชแสดงว่าไม่ไม่กระตันอยู่ไม่อะไรต้องมีลูกหลานคนใดคนหนึง่งต้องบวชให้กับผู้ใหญ่ที่ลงนามไปเพื่อแสดงความกระตันอยู่กระตเวที แต่นี้ไม่ใช่วิธีแสดงหน้าการบวชมาเล่นนี้มันก็เลยกายเป็นของเล่นไปซึ่งธรรมเชินการของการบวชนี่มันไม่ได้เป็นของเล่นมันเป็นของเรื่องที่เรื่องเป็นเรื่องตายก็เวลาพูดในเรื่องการบวชเรื่องการเป็นการตายว่าพายังจะต้องกลับมาตายอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าการบวชนี้เพื่อการจะตัดการที่จะต้องกลับมาตายอย่เรื่อย แล้วไม่จะเป็นเรื่องของเล่นนะมนเรื่องที่ของสาคัญมากเพราะพุจาจึงบังคับเข้าประชาให้สอนกรรมฐานหน้าอุปชาอะไรบวชแล้วไม่สอนกรรมฐานหน้าถูกปรับอาบัติเพราะชมเห็นค่าวสาคัญของการพิจาอักรพะเห็นา ส, ขขา ส, ค, าสคัญของการพิจารณาอาจาทานที ส, งสงองอาจารย์มาพุทธเจาอเรืยา แต่แวเวลาเห็นหน้ากายไม่ว่าเป็นของใครที่หิงหรือผู้ชาเราจะเน้นถึงอาการที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังจะเน้นถึงโครกระดูกเนถึงปอทิ้งตับถึงใจถึงหัวใจถึงลำไส้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันการอารมณ์มันไม่เกิดถ้าเกิดมันก็ดับทนี่คือเป้าหมายของการสอนกรรมฐานให้แก่ผู้บวช เรียกว่ากรรมฐานห้าแต่ความจริงแล้วเป้าหมายก็คือให้ไปให้ครบสามสิบสองอาการกรรมฐานสามสิบสองนพสุภาษิตจะได้เห็นว่าร่างกายมันไม่สวยในงามตามที่กิเลสขยานที่จะทราทงสรรค์กิเลสมันหลอกเราให้เราแต่งตัวของร่างกายให้สวยแต่เสื้อผ้าปล่อให้สวยตามมุกตามเมตทาเท่าทําผมทําคิ้วทํา ทำหมุกทำอะไรต่างๆเพื่อให้ดูสวยงามก็จะได้สนับสนุนเรื่องของกางอารมณ์ให้การกางอารมณ์ขึ้นมาง่ายแล้วก็มีการเสกกลามกันแล้วก็ติดแล้วก็ทุกเวลาที่ไม่มีกลามให้เสร็จเวลาไม่มีคู่ให้เสร็กกระทเหนาเศร้าก็อาจจะไปทํา พฤติกรรมที่เสียหายไปข่มขืนไปอะไรต่างๆตามมาได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับนักบวชถ้าอยากจะเป็นนักบวชนั้นต้องคอยพิจารณาการสามสิบสองอยู่เรื่อยๆให้จนเป็นวิสัยติดให้เป็นวิสัยเห็นน่างกายของใคร ให้ได้ถึงาการหายสองของเขาจราับเราปัญาาเรื่องการอารมณ์ยัไม่เสร็จครับอาจารย์แล้วเวลาถ้าเราฝึกเนี่ยคือการฝึกนี้มันคือการท่องท่องกลับไปกลับมาหรือว่า5อย่างหรือสาวที่2อย่างก็ได้หรือว่าเราท่องไปพิจารณาไปนึกถึงภาพไปต้อนอาจจะท่องชื่อไว้ก่อนก็ได้ทาเป็นขั้นเลยก่อนขั้นตองที่2ท่ อ, อ, องชื่อทัออง้งสาที่2อาการ โดยเฉพาะชื่อที่เป็นภาษาไทยน่าจะเหมกว่าเพราะเราเป็นคนไทยพูดภาษาไทยถ้าเราไปท่อวภาษาบาลีนะจะไม่เข้าใจความหมายของคำที่เราที่ยวแต่ถ้าเราเท่องภาษาไทยเช่นผมมีเล้านิสุทธันติเลผมผมเล็บฟันาาหนังเนื้อเอ็นกระดูาจะเมื่อเราท่อวได้ทั้งสามุสองชื่อแล้วก็ต้องนับถอยหลังด้วยเที่ยไปข้างหน้าแล้วก็นับเยอันดุโล ท่องางหน้ามันรลมแล้วว่าท่องปฏิโลย้อนกลับอนันรู้ลมนี่แปลว่าตามขนปฏิิคือย้อนขนอ๋อครับลงลงมาจากคาว่าลงมาลงมาก็คือขนเ <Okay. S 1> <Sure. S 1> นี่ยเวลาเราลุกแขนเราตามแล้วก็ลกแขนเราตามตามขนให้ขนมันทับลง แล้วลูกย้อนกลับก็เป็นปฏิโลนอนกับก็คือให้ชํานาญทังการท่องชื่อทั้งทั้งไปข้างห น, น้าแล้วถอยกลับเพราะมันจะทําให้เรามีสติมากขึ้นมันจะต้องใช้ความจดจำมากขึ้นต้องไปหน้านเดียวมันอาจจะชินมันอาจจะทําให้เราใจลอยได้แต่ถ้าเราต้องท่องนับกบลับทอยหลังกลับมันจะต้องใช้สติมากขึ้น ใช้ความเป่ียบมามันก็เป็นการเจริญสติไปในตัวด้วยอาพิจารณาการสามสิ่งนี้เป็นกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งของสติถ้าอยากจะมีสติต้องมีกรรมฐานเป็นที่รองรับอาณาปณะสติก็เป็นกรรมฐานอย่างอันนี้อยู่ในกรรมฐานสี่สิทธิ์ อาการการสองห้าห้าการของอาการท่านเรียกว่ากรรมฐานห้าพิจารณาเมื่อตอนจำชื่อให้ได้ก่อนไม่จำชื่อทั้ง้ายอสองหน้าแล้วให้มานึกภาพของแต่ละอาการผมมีอาการอย่างไรอยู่ตรงไหนผมอยู่บนศีสะคนมีอยู่เป็มไปตามช่วนสภาหร่างกายแล้วก็เล็บก็มีตามนิ้วนิ้วมือนิ้วเท้า มินอ่าแล้วแล้วก็ฟันเข้มอยู่ในปากแล้วก็หนังก็เป็นสิ่ที่หุ้มหอทั่วสัปหามางกายน้ํานี่เป็นเหมือนถุงใหญ่ร่าง ก, กายนี่เป็นเหมือนถุงถุงประกอบทับด้วยหนังถุงมือหนังก็เป็นกระเป๋าหนังเนี่ยมันพวเราก็มีกระเป๋าหนังเหมือนกันตัวเรานี่ก็เอาไว้ว่าทันใจก็ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าหนังที่ใบนี้ ขอบใต้ผิวหนังก็มีเนื้อจากเนื้อก็มีเอ็เนเอ็นในสาหรับรัดกระดูกกระดูกภายในกระดูกก็มีเลือในกระดูกแล้วพอพ่นจากระดูกไปก็จะเริ่มเห็นอวัยวะส่วนหนึเห็นม้ามเห็นปอดเห็นตับเห็นไ ต, เ ห, นตเห็นวัวใจเห็นลำไส้ภในลำไส้ก็มีอาหารใหม่อาหารเก่า อาหารที่เรากินเข้าไปวันนี้มันอยู่ในับไส้เราเรยว่าอาหารใหม่อาหารเก่าก็คอาหารที่เราถ่ายออกมาที่เราขับถ่ายออกมาอันนี้เรียกว่าอาหารเก่าแล้วก็ไปที่สมองศีรษะนอนกลางวันเริ่มดูน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลือวน้ำอะไรต่างๆไปขนคบอันนี้ต้องวิภาพถ้าได้ไม่ออกก็ต้องไปดูภาพ ภาษาดูภาพที่นักศึกษาแทยก็เรียนกนก็ได้หนสือนักศึกษาแาทย์ก็จมีภาพวาดนะครับจะมีทั้งภาพวาดภาพถ่าใ ก, าา ใ, กให้ดูให้เห็นชัดว่าอาการาต่างๆมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอยู่ตรงไหนของน้างนี่ยของนา่งก า, ายศึกษาหมือกับเป็นนักศึกษาแพทย์อาดากรมี วันนี้มีคนข้อถามว่าพวกหมอที่เขาพิจารณาขผ่าศพนั้งนั่งไกลเรื่อยๆแล้วทําไมเขายังดับการมาลงไม่ได้เขราะเขาไม่เอามาใช้ดับมันเอามาใช้หาเงินก็มาใช้สนับสนุนกิเลสตามอยากมีเงินอยากได้เงินได้ทองเขาก็ใช้มันเฉพาะเวลาที่เขาต้องใช้คือเวลาที่เไปทํางานเวลาที่ต้องผ่าศพเขาเขาดูไป เวลาที่เขาไม่นอนผ่าตัดเขาก็าไม่นึกถึงมันเวลาเขาเห็นแฟนเห็นใครสวยๆหลอ่อหล่อเขาก็ไม่นึกถึงว่าอาการเหล่านี้การที่เขาทํางานประมาณตลอดเวลาแต่พอไม่นึกมันก็เหมือนกับไม่เห็นมันก็เลยเห็นแต่คนรูปร้านหน้าตาสวยงามลหลอ่อเหลาไปเพราะไม่เอามาใช้นั่นมีมีความรู้แต่ไม่เอามาใช้ก็เหมือนกับไม่มีความรู้ใช่ไหม เมื่อพิจารณาแล้วก็นงคอยเอามาใช้ถ้าเกิดการมารมเมื่อไหร่ปัาบที่ต้องรีบพักออกพักออกมาเลยพักลูกอาการทางที่สองออกมาดูเลยครับถ้ายังจำไม่ได้ก็หาภาพนี่แหแปะไว้สามห้องเลยนะน่ากลัวเลยใส่ไว้ในกระเป๋าใส่ไว้ในมือถือเป็น skin เ a อร์ก็ได้ครับผม ต็นก่อเราเมื่อยกมือถือขึ้นมาดูนะนี่ก็จะช่วยได้ช่วยระงับการมาลมได้เพราะว่าถ้าเป็นอ้าถ้าเกิดการมาลมแล้วลระงันไม่ได้มันจะร้อนข้ามันจะร้อน้็จะทาให้ต้องสึกกันที่สึกกัส่วนใหญ่ก็เพราะเสื่องของการมาลมแต่ก็อ้างไปเรื่องหน่งเลยนะไปดูพ่อแม่แม่อะไรพ่อแม่แกแล้วนี่ดูนะมันจะไปดูลาพ่อแม่อย่างเดวเปล่าถามอก เดี๋ยวไปไก่ต้องไปเที่ยวแล้วไปหาแฟนกันแ้วแต่มันไม่คูดอย่างนั้นบอกผมอยากไปหาแฟนเนีนอายนขอไม่้มันเ็นของน้าอายแต่อกว่มีธุระทางบ้านทางบ้านมีารกิจมีธุรกิจต้องดูแลอะไรเรื่องที่บอกจะไปมีแซนมีลูกมียันไม่คูดถึงไม่ใช่เป็นใจเป็นคิามเห็นไม นี่คือกเป้าหมายของการสอนกรรมฐานเพื่อรักษาคนวามจางของพระเพราะมันเป็นเหมือนอาวุธเนี่ยเวลาจะส่งฐานไปรลนี่เราต้องสอนให้เขารู้จักใช้อาวุธต่างๆใช้มีดใช้ปืนใช้ระเบิดใช้อะไรต่างๆเพื่อจะได้ป้องกันตัวก่อนเวลาเขาเข้าสู่สงครามเจอฆาตศึกศัตรูเขาไม่ให้อาวุธเขาไม่สอนเขาเลยวิธีการต่อสู้ด้วยอาวุธต่างๆเข้าไปในสงครามวัตถุอง ทำลายนะทำลายสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เรือนการถ้าบวชแล้วไม่ไม่สอนกรรมฐ า, านไม่สอนอาการฐานอีกกอเดี๋ยวจอข้อศึกษา ต, ตัวคือการมาวางสมาลาคันี้ก็ลมพับอย่างนี้แสดงว่าผลจากการฝึกนี้คือได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้ได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญา ยังไม่ดีอบบาบรรลุเป็นพระนาคาเองอะไรก็ได้เป็นพระสกิทาคาเอะไก็ไม่รู้นะอันนี้ ค, คิดว่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็เป็นมีพื้นฐานสําหรับเวลาไปจเจริญมาต่อไปเพราะว่าบทใหม่นี้ยังอาจจะไม่มีไม่มีวุบเดขาไม่มีสมาธิมากพอที่จะสามารถทําลายมันได้แต่ก็จะช่วย ตัดกำลังของมันได้ระดับไมที่มันผล่ขึ้นมาครับพอจะกระสานขึ้นมากแล้วครับอาจารย์ครับกบขอบคุณอาจารย์ครับผมจะนําไปพิจนารณานและปฏิบัติต่อไปนะครับแต่จะทำคนนวัที่มีรครอบครัวมีลูกเมียนี้ถ้าไปทำเรื่องดีไมด่ดีมันมันจะแตกกันนะครอบครัวจะแตกกันเมื่อไม่เมื่อ ไ, ไม่ทำหน้าที่ของของขอ ง, ของสามีและของ ภรรยาเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แบบพรมกันใช่ไหมนอกจาว่าทั้งคู่ต้องการที่จะละกามันทโอเคทั้งคู่เราพิจารณาไปเหมนที่พระอาจารย์เคยเล่าถึงหลวงปู่องค์หนึ่งที่ไปบวชหลวงปู่มหลวงปู่พรมท่านกับภรรยาก็ถื้อพรมอาจารย์เรือสีแปตจานั้งแต่หวงาาเป็นโรบาสุขุมัสิกา พอจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติเป็นรูปแบบท่านกระยสละสมบัติไม่เป็นรูปม่เต้ทาท่านกระยาประกาศบอกชาวบ้านใครต้องการบัวควายต้องการม้ววาต้องการที่ดินท่านกระยาจากท่านกระไปะะไปดวดกันโดยหลวงปู่ท่านก็ไปศึกษาควานมุ่งมันภรรยาก็อยู่แผนมีความเที่ยงอันนี้มีอยู่รรนนในประวัติของภาพ ในหนัสปฏิบัตพุทธงค์ธรร ม, มใจกไปอาา่านได้คุณยุพินถามครับพระอาจารย์บอกว่าความหมายของสติระลึกกับสัมปัชัญญะรู้ตัวว่าตัวไหนเกิดก่อนคิดทาพูดและตัวไหนเกิดขณะกาลังคิดทาพูดคะคืามว่าสติคือการระลึ ก, ลกสัมปัชชัญญคือการระลึกร่กอยต่อเนื่อง คนไหนเราจะรักเรื่อราเกรู้แบบชั่วแป๊เดียวแป๊บเดียวแล้วก็กลายนสติกลายหายไปแล้วต้องทาสติให้เป็นสัมปชัญญะถึงให้รู้สึกเเลราอ้ยอยู่อย่างต่อเนื่องัก็เป็นสติต่สติแบบร่มรุกคืบคานคุบคานก่อนอส้าติพูดโธได้สามวินาทีก็เผอไปคิดเรื่องนั้นนี้นะวนกกลับมาที่พุทโม เอาไปถ้ามันเป็นสติก็ต้องพูดโทรพูดโทรไปให้ต่อเนื่องเป็นนาทีเลยกยังเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะคุณสุทธาทิตย์ครับบอกว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้วแต่เมื่อทำบุญก็ยังไม่กล้า บ, บริจาคมากๆเหมือนพระอาจารย์แนะนำค่ะยังคงวางแผนเป็นสัดส่วนอยู่ครับรอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเป้าหมายของชีวิตอย่างไร ถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายเราก็ยังอาจจะต้องมาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆแต่ถ้าเราเราได้ฝึกสมาธิแล้วได้พบกับควาสมสงบนี้เราจะเปลี่ยนเป้าหมายจากการหาความสุขจากลูกเสิยงกินมาที่ความสงบทันทีแล้วเราจะเห็นว่าเงินทองที่เรามีนี่มันไม่มีประโยชน์สําหรับเราใล่ไ เพราเราไม่ไม่บวังพึ่งมันเพื่อซื้อความสุขเหล่นอย่างมากก็อาศัยมันไม่สำหรับดูแลร่างกายหือรื่องนปัจจัยเสียังนี้งปัจจัยเสียีมันไม่มากเหมือนกับการซื้อความสุขทางการเงิการการซื้อความสุขทางการเงินนี้มันใช้เงินมากเพราะต้องชอบของหรูหราชอบของสวยๆงามๆชอบของแพงของแบรนดเนมมันก็จะใช้งนมาก ปัจจัยที่เราใช้กับปัจจัยสินีน้เืองินที่เราใช้กับปัจจัยสินนี้มันน้อยกับเงิที่เราใช้กับเรื่องรูปเสียงกินรถไปเที่ยวทีนึงบินไปนี่กินหน่อยนะไปเที่ยวต่างประเทศทีนไปกลับมาเนีน่เป็นแสนนะเป็นแสนนี่เมา เ, เรี้ยงปากเลี้ท้าในทั้งปีนะงั้นถ้าเรายังต้องเพิ่มความสุขจากรูปเสียงกินรถอยู่เงิ น, นทอง น, นี่เรายังเป็นปัจจัยที่สําคัญ แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ต้องพึ่งมันแล้วเพราะเราได้พบกับความสุขอีกรูปแบบจากการทำสมาธิเราทําได้นะเราก็เห็นความจริงนี้ได้นะทีนี้เราจะนี้เลยว่าเงินทองมันไม่ใช่เก็บมีก็บไว้ทําไม ม, ม, ไ ม, ม, ไ ม, มันเป็นทาระาว่านอกจากเก็บไว้เพื่อเพื่อยังชีพเั้นมันมันอยังชีพแต่ไม่ใช่เนเงินเพื่อความสุขเมื่อซื้อความสุ ถ้าเห็จุดนั้นแล้วก็จะพร้อมที่จะบริจากมันได้มากขึ้นเพราะเราจะรู้ว่ามันมากเกินกวบที่เราจาเป็นจะต้องเราคาํานวณได้เนี่ยปีหนึ่งเราจะใช้ค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเท่าไหร่กันแล้วยืง่งถ้าเราเป็นคนมากน้อยสันโดษก็ใช้น้อยๆกินน้อยๆยิยย่งเป็นนักปฏิบัติไม่กินมากกับเปบริจาคใช่ไหมครับ ใช่คิดแค่นี้เดียวว่าเราไม่ดีการค่าใช้จ่ายครั้ น, น, นี้มันจะนับน้อยลงมากถ้าเราเริ่มเข้าพบกับความสุขที่ได้จากความสนบจากสมาธิแล้วทีนี้เราจะรูแล้วว่านี่คือแหล่งของความสุขของเราคือการฝูกสติการนั่งสมาธิาเราไม่ต้องหาเงินหาไม่ต้องใช้เงินใช้ครับอย่างที่เคยพูดว่าคนฉลาดหาสติคนมั่วหาสตงางค์นะครับใช่ไหมใช่ครับ ผลฉลามี้ม uh> uh> uh uh ีสเตจแล้วได้ความสุตท uh ี่ดีากความสุขทีได้ใจจากการใช้สถางค์ซื้อความสุขที่ได้จากการชื่อใช้เนเชื่อในสู้ความสุที่ได้จากการใช้สเตจทาใจให้สนุกานที่พระเจ้าสตาไว้เสมอว่าลดแห่งคาชนะลดแห่งเกีติลดของกลางทั้งหนี้นะครลดของความความถูกในรูปแบบทั้งหมดัถ้ามถ้ายังไม่เห็นจุดนั้นอยู่ก็คง จะต้องยังต้องทํำวัตถุระลึมมาเพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เฉยภาวนาไม่ได้แล้วก็ต้อนอกบานไปเที่ยวไปดูไปกินไปเด็กไปทํานู่นทำนมันก็องใช้เงินองแต่ถ้าเราทำํทำสมาธิได้แล้วมันจะไม่อยากออกนอกบ้าไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปพบใครไม่อยากจะเข้าสาังคมไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นแย่ที่อยู่คนเดียวอยากจะปฏิบัติค น, นเดียวตอนนั้นก็แากจะไม่ต้องอาศาัยเงินทอง อย่างเราเนี่ยตอนนั้นตอนที่เราตัดสินใจออกจากงานี่นเรามีเงินอยู่แค่หกพันบาทนะแล้วราคำนวณว่าอยู่ได้ปีหนึ่งใช่มหมเพราะบ้านบ้านเราก็มีอยู่บ้านปีบ้า น, านมีห้องแถวอยู่ห้องนี้ไม่มีใคอยู่ท้าให้เราอยู่คนเดียวค่าไฟก็แทบจะไม่มีเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟไม่มีทีวีไม่มีอะไรการงา น, นก็เราก็งานาคแค่วันละคนเดียว ้ามันจะไม่มีค่าอาหารเรากินแค่วันละเมื่อเดียทำไมนั้นเรากินอาหารแค่สองอย่างผองจารข้เดียวชามข้าวผัดกานในเรื่องข้าหมูแดงหรือข้าวอะจานสองอย่างนี้ก็อิ่มแล้วอยู่ได้นะทำไมนัม้นข้าวเดี่ยวจานละสองบาทข้าวผัดข้าหมูแดงจานสามบาทห้าบาท น, นันก็มันก็งเ็อิ่มื้อวันละห้าบาทถ้าจานเดือนนี้ก็แค่ร้อยห้าสิบ ปีหนงนเ่าไหร่มันก็แค่พันแปดเท่นเองมี6กพันมันก็อยู่ได้เราได้คำนวณเราสบายมากเพราะเราไม่มีท่ า, าใจใจเราจะเอาแต่เวลาภา อ, อนาปฏิบัติแต่เราไม่ได้ทำบุญนะเพราะเราไม่มีมันทำมีมแค่เลี้ยงชีพเอาเกิดมาไม่เคยใส่บาตรใช่ เราใส่บาตรแล้วช่วยเราไม่เคยใส่บาตรพางเราไม่เคยเข้าวัดนะเราไม่พรอครับไม่ได้เป็นคนเข้าวัดเข้าอ่ะพ่อแม่จะเป็นคนไม่เชื่อศาสนาไม่มีไม่มีศาสนาเขาก็นับถึงเรื่องมีศาสนาแต่ก็ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทําบุญอะไรที่เป็นแบบกิจจาลักษณะแต่ทำบุญก็ลักษณะเป็นการแด่งปันให้กับคนนั้นคนนี้บ้างเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยาก เ็นขอทานเนื้ออะไรก็ก็เบให้ขอบ้านในการเดืยวร้อมาขอความช่วือถ้าช่นยเาไปถ้าช่นยได้ทำในทาบุญในนอกนนู่นแ ไ, ไม่ได้ทำบุญแบบไ ป, ไปที่วัดจะ้าขอยสันมาทานใส่บาตรทอดกระถิ่นทอดข้าป่ามไม่เสร็จ อาจารย์ครับผมสังเกตครูบาอาจารย์หลายๆองค์ก็ก็เกิดมาในครอบครัวที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็คือครอบครัวที่ยากลาบากทังนั้นเลยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับคือภาวนาเป็นพระมาอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ทําทานมาเลยจนพอมาเกิดอีกทีก็ภาวาต่อก็มันได้จะมีส่วนนะที่ไม่ได้ทําทานมามันก็เลยทําให้มาเกิดแบบยากจนกันไ มีเกิดจะเป็นธานะเป็นคนที่ินมองมันก็ดีอย่างพราการมาเกิดมีเงิมีทองมอาการเป็นหยวกเป็นหยวกเนโซ่เป็นลวดเพราเมื่อมีสมบัตินะมันก็ยังรักยังโผ่นะจะตัดจตัดจะหน้าที่ต้องเป็นคนที่มีบาลมีมากอย่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทาบุญทาทานมาอย่างสาหัสเหมือนกันแต่ท่านทาทามากแต่ถ้าไม่ยึดติดกับท่าสมบัติที่ท่านทา เพรนั่มนมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นก็ไม่ยึดติดสมบัติเ่อถึงเวลาที่ท่านจะสละท่านจะสละได้งง่ า, งายๆไม่ต้องไปคิดจวงเลยแต่ถ้าคนที่อาจจะเคยทําบุญมาแต่ไม่ได้ทำบุญแบบก็เสียดายทาบุญว่าเพื่อได้บุญไม่ได้ทับในการจัดสมทั บ, บในปาชหน้าคราวนี้จะเวลามีชาติแล้วอาจจะสละยาก คุณพีโก้ครับกาพยาจารย์เมตตาช่วยยกตัวอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนกลับกับพระคุณครับคือรูปก็คือร่างกายร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนถ้าจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีตัวตนดูตอนที่มันตายตอนที่มันหายใจแต่มันมีตัวตนไะไม่มีละมันมีแต่แค่าการสาริจารณ ขณะที่อยู่ในนอาการท่านมีตัวต่อเพราะมีจิตเป็นผู้เชิดไม่ต้องขุนนะคนที่คนนี้ก็เชิดถ้าเวลาไม่มีคนเชิดนี้ขุนนี่ก็เป็นเหมือนกับไม่มีชีวิตชีวาแต่พอมีคนมาเชิดมาที่นั่งก็เลยเต้นรักเต้นการได้ยกแขนยกขาได้อันนี้ก็นั่นนั่นคือลักษณะของรูปของร่างกายเวลาที่มีใจเต้นอยู่ประมาณนี้ใจเป็ูด เชิดร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายในก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนนะในก่อนที่จะลุกขึ้นด้านจะหมอนอน้ำมือก่อนนะลุกขึ้นใหญ่มากใส่เข้านะครับพอลุกแล้วจะเดินถ้าเราสั่งให้มันเดินต้องมีคําสั่งจากจากใจเป็นผู้เชิดร่งางกายนี้ถ้าไม่มีใจสั่งแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะเพราะเพ อ, พอ พอจอดก็ไม่มีไม่มีใจที่มีจิตวิญญาณอยู่กับร่างกายแล้วร่างกายอยู่ตรงไหนมันกอยู่ตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของสัปปะเลยของหน่วยผู้พายที่จะมาจัดการกับร่างกายนะเพราะว่าคนที่เคยเชื่อแบบไม่อยู่นะ้วผู้ที่เชื่อก็คือจิตนี่อันนี้ควรจะเห็นเห็นสภาพความไม่มีตัวตนของร่างกายนี่เลย มันมีตา อ, อาการ 3.2 ถ้าลองไปถอดอาการจาก 3.2 งล่ไยอาจารว่าผมนี่เป็นเราหรืปล่าขนนี่เป็นปเราหรืเป่าเล็บเป็นเราหรือเปล่ปาฟันเป็นเราหรือเป่าอาการทั้ง 3.2 ถ้าเราชำแหละเอกมาวา่างมันเป็นกองแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนถามตัวๆโด อ, อที่ว่าเร า, เาร่างกายเป็นเราแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมอยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันมันไม่มีหรอก ไม่มีที่ใจใจที่ที่คิดไปเองใช่ไหมคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราแล้วตัวความคิดนี้ก็เป็นแค่ความคิดแต่มันจะคิดในเป็นนักษณะของการสมมติขึ้นมาที่ว่าผู้คิดคือเราเราคิดสัญญาคือผู้จําได้ไหมายรคือเราเป็นผู้จําได้ไหมายรู้ปัญญาคือผู้รับรู้รู้สิ่งกิเลวก็คือเราเป็นผี้รับรู้ความ ควาจรงมันมีตัวเราพูกมันมีแต่การรับรู้รูปสิ่งติลท์ด้วยวิญญาณมีการคิดด้วยสังขารมีการจําได้ด้วยสัญญามีการรู้สึกด้วยเวทนาครับมันเป็นเป็นสภาวธรรมแสดงว่าไม่มีตัวตวนในรานั้นไม่กับเสียงนี่มันเสียงผ้าร้องนี่มีม้ารา้องผ้านี่มีตัวตวนหรือเ่าที่ทำให้เกิดผ้าร้องขึ้นมามันก็ไม่มี ฟ้าร้องเราก็เรียกว่าฟ้าท้องฟ้าจำเริ่มมาเสียงดังจากท้องฟ้าวเรียกว่าฟ้าร้องแต่แลองรู้ว่าตัวตัวฟ้าเองก็ไม่มีไม่มีตัวตนตัวเสียงที่ร้องก็ไม่ไม่มีตัวตนแต่เวลาที่มันอดามาจากปากของคนนอกจากแปลว่ามันมีตัวตนนอกจากแปลว่าเสียงก็เป็นเสียงของคนนั้นเสียงของคนนี้น อันนี้เป็นสมมตนะิเห็นคภาพมคิดที่เราจิตเราคูาาา่แตกขึ้นมาเองมาหลอกตัวเ่วว า, าเองเราไม่รู้สึกตัวอันนี้เป็นการวิจัยนะให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะถ้าพูรภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นฟังชันนี้เป็นสิ่งที่ทําทําหน้าที่ต่างๆเมตตาและทาหน้าที่สมทุกไม่สุบและก็ทำรู้สึกเป็นหน้าที่ของเมตตา ความจำได้ไหมนี้ก็คือหน้าที่ของสัญญาความคิดปรุงแต่งแลหน้าที่ของสังขารวิญญาณคือการการับรู้รู้เห็นกินหนาที่มาต่างๆจมูกหูจมูกกายก็เรียกว่าวิญญาณการทำหน้าที่รับรู้แต่ไม่มีผู้ทำหน้าที่ไม่มีผู้กระทำหน้าที่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการกระทำหน้าที่ของสภาวัอนี้ สรุปก็คือไม่มีใครมีคว า, ามรู้สึกสุขรู้สึกไม่ทุกข์มีเพียงแต่ความรู้สึกไม่มีใครคิดมีแต่ความคิดไม่มีใครจําได้ไหมายมีแต่ความจําได้ไหมไม่มีใครรับรู้เห็นจิ่งต่ามีแต่มีการมีแต่การรับรู้รู็เสิ่งต่างแต่ความหลงมันมาทำให้ใจหลอกให้ใจที่มัามีมีตัวตน มาเราให้จากที่ว่าตัวรู้ก็คือตัวเราตัวเราเราเป็นผู้รู้มันก็เลยยึดติดกับคําว่าตัวเราของเราเพราเตัวเราที่พอมได้อะไรมาก็เลยต้องยึดติดว่าเป็นของเราขึ้นมามันเกิดมีของเราแล้วก็อยากให้ของเราที่ดีให้ทําสุขของเราแต่ของต่างๆที่เราได้มานี่มันเป็นของที่มีชั่วคราวสุดชั่วคราวเนี่ยวมันก็เปลี่ยนไปจากดีกายเป็ไม่ดี พอดีหายไปทุบๆก็หายไปพอไม่ดีเข้ามาทุบ ก, ก็เข้ามาแนทนแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไป็นจิตไม่ถือว่าเป็นเราเป็ของเราเราก็ปล่อยไปดูมนไปตามธรรมชาติไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดความอยากให้มันดีหรือไม่ดีไม่อยากจะความอยากให้มันให้กับมสุขสำรัให้ความสุขสำหรัปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้คือการละความชุบ ในการรักความอยากให้สิ่งที่เรามีอยากไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด เ, เพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งตา่างมันเป็นของชั่วคราบอาจารย์ครับผมฟังเข้าใจโดยตักกะครับแต่ว่าคนที่รู้สึกอย่างนี้ได้จริงๆนี่คือต้องเป็นพระอาหารหันต์เลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าตั้งแต่พระเสดาจมาขึ้นไปก็เข้าใจแล้วเรื่องขันห้างด<อ>ูไมตรีสัญญาฐานก็จะรู้ว่ามันไม่มัมนไม่ใช่ตัวตนี มันเป็นอาการต่ตางๆที่แสดงขึ้นโดยธรรมชาติของมันอาการรับรู้อาการรู้สึกอาการคิดอาการอะไรต่ตางๆมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นและประดับไปเกิดขึ้นและประดับไปมีเหตุมีปัจจัยมากระตุ้นให้มันเกิดมันเกิดยังมีรูปเสียงกลิ่นมามากระทบตาตาจมนมีนการมันเข้าไปกระตุ้นให้วิญญาณเกิดให้วิญญาณรับทราบทันที มีรูปมีเสียมีิ่มีรมาติการรปรานพอ ม, มีการการับทราบลูกเสียงกลิมันก็มีสัญญาความจำเข้าไปทาหน้าที่ต่อเปูปอะไรเป็นเสียงอะไรอันนี้เป็นหน้าที่สัญญาอพอสัญญาได้ทราบว่าเป็นด้านเป็นนี้ก็จะเกิดเมตนาขึ้นมาพอสัญญาจ ะ, จ ะ, จ, ะจะรู้ว่ายอย้นันดีหรือไม่ดีสุดทจะทาให้สดีก็เกิดกับ ถ้ไม่ดีก็เกิดหนักเพราะอดีตมันเคยสัมผัสกับสิงอวไรนมาก่อนมันจำได้ันได้ว่าคนันนี้มีประสบการณ์ไม่ดีเขาเจอวันนี้บ้ามีระบบเกิอาการเกิดเวทนาความทุกเวทนาขึ้นมาทันทีแต่ความไม่สบายใจขึ้นมานี่มันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นหลใจที่มันเป็นเหมือนลูกโซ่เริ่มเป็นจิตาอุจจาระวินิจัยไปรับรูปเสียงกินเล่นเข้ามา พอเราพอตาสัมผัสจับลูกครับวิญญาณก็เกิดขึ้นมาทันทีทำไม่ได้เกิดวิญญาณเริ่มทํางานทันทีวิญญาณรับรูกก็รับลูกทันทีพอวิญญาณรับรูกรับสัญญาก็มาทำในวิญญาณลูกอะไรวะรูกไข่ครับพอเกิดรู้ว่าเป็นรูปไข่มีดีก็เกิดไม่ชนะขึ้นมาถ้ารูปที่ดีก็เกิดสุขเวทนาถ้ารูปไม่ดีก็เกิดทุกข์ เราจะยุทุกทุสุขไปนาความผิก็ตามตามแล้วจะทำางนงไอยากเข้าหาหรืจะสอยหลีกถ้าถ้าของดีก็ข้อหาถ้าขาไม่มีก็หลบดีก่อนเดี๋ยมันทำหน้าที่โดยกาเตมามเ้ามือมมให้มีตัวตนเร็วา่าคุณวินัยครับถามหลวงพ่อครับ พระแอบลักของพระแต่พระคู่กรณีไม่รู้ว่าของหายแล้วพระที่รักของไปนั้นเอามาคืนให้ภายหลังแบบนี้พระที่รักของไปประราชิดไหมครับอันนี้เราก็องไปถนพระวินยัยทอนเวลาก็มีปัญห า, านี้ก็จะให้ปรึกษากับพระที่ชํำนาญทำพราหมณ์ซึ่งเราก็ไม่ไม่ชำนาญทำพราหมณเพราะส่วนใหญ่เราไม่เลย ไม่ในในไม่ยยไดีสนใจในเรื่องข้อไม่ายม่กละเอียดในขนาดนั้นไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แบบละเอียดได้แต่เป็นน้ากฎหมายได้เข า, าก็เลยอ่านจุณะให้ไป็นพรที่เขาศึกษาทำยังไงมาให้เขาวิเคราะห์กันลแต่ถ้าถานแบบแบบให้ตอแบบตอแบบทำทาปั้นทุกยันเขาว่ามันก็บาลานที่ต่างไปของหัวของเขาม า, มมาใช่ไหมเพียแต่ว่ามันดูอ้าวเห็นหนึ่งมาสดหรือไม่ เอาหนึ่งมาสอนนี้ไม่ทราบว่เาเขเปรียบเทียบยังไงได้ยินบางทีเขาเอาเมาเล็กข้าวเอาทองคำที่มีขนาดเมล็ดข้าวเป็นหนึ่งมาลองลองดูว่าตอนนี้ถ้ามีการทำาหนึ่งมเมล็ดนี้จะมีราคาเท่าไหร่ครับอาจอาจจะห้าร้อยหรร้อยบาทข้าวของที่มีราคาถึงขนาดนั้นฝ่ยายกษว่าฟราชิค่าเขาจะรู้ไม่รู้ประการแต่ผู้ประทานี้อยู่แตใจผมบอกน เร่องนี้มีโอกาสประหาดชิดกันง่ายมากมเลยครับอาจารยตร์ต้องมีสติต้องมีธรรมแล้วมันระวังมากคุณทีระครับการวัหการพระอาจารย์ครับพี่ที่กล่าวว่าพันิพยานอยู่ฝั่งตายเป็นอย่างไรครับจิตวิ ญ, ญญาณมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตครับจิตวิ ญ, ญญาณตายได้ไหมครับคือการจะเปเก่งนิพพานได้ต้องผัดกควตายนั้น ทวามตายเป็นเหมือนดาดดาดที่กั้นพันธิฐาไว้ฉะนั้ผู้ที่จะไปถึงพันธิฐานได้นี้ต้องไปขอดคามตายให้ได้ก็คือเป็นข้าโซดาบันให้ได้ข้โซดาบันนี้นอนตายข้อติจารณาแล้วรู้ว่าร่างกายยีดต้องตายแต่ต้องตายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้าไปอยากให้ร่างการไม่สายก็จะยึดสิดกับร่างใจยไมจะผัดไม่จะปล่อยวางร่างกายไม่ได้ ก, ก, ออาการกะทงกับร่างเรื่องของร่างกายการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเรื่งองทางกายข่างกายไม่ได้ไม่ให้ตัววางกายกายก็ยังไม่ไม่ถึงพั้นที่านก็คยังมีด่านอวายู่พอผ่านคำาตายผ่านคามเจ็บจะได้ดา่านนะก็ไปเจอด่านของการมาลงการมาถ้าย ประการะการมารมะะาคแต่ละระดับต้องไปผ่านเรื่องของอารมณ์ภายในจิตธรรมะท่า น, นมีดานอยูสามสามด่านหนึ่งกายเวทนาจิตถึงจะไดเห็นภาพนิทานได้ในที่สุดท้ายจิตวิญญาณมีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตครับคือจิตนี้เป็นธาตุรู้ธาตุรูมั น, ม, น ม, มันมีเวทนามันมีความรู้สึกนั่นจิ จะจะแปลคาว่าชีวิตว่าอย่างไรดีถ้าจะแปลชีวิตว่าเป็นต้นไม้อย่างนี้นสึกแต่เขาดับมันมันไม่เป็นอย่างนั้นจิตวิญญาณนี้ไม่มีวันดับไม่มีวันเกิดมันเป็นรงมาอยู่างนั้นมันเป็นส่วนประกอบของสัจธรรมความเป็นจนริงแล้วกันคุณอาจารย์นี้รรพระจิตญาปยามีได้กลับไปดูว่าเจตนี้มันเกิดเมื่อไหร่ได้ไปเท่าไหร่ก็ ไ, ไม่เจอจุดจุดต้นตอของการเกิด ของจิตมันไม่ยอมเกิดย้อนไปกี่ทบกี่ชาติจิตนี่มันก็ยังมีอยู่มันไม่เจอที่เกิดของจิตสะิีก็เลยต้องสรุปว่าจิตมันไม่มีที่เกิดและมันไม่มีที่ดับไม่มันไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นสิ่งที่มีปรากฏเป็นปรากฏปรากฏการทางธรรมชาติส่วนหนึ่งที่มีอยู่หกส่วนในการที่เราพูดรสชาติทั้งหกจิตนี่จะเป็นส่วนปรากฏการธรรมชาติหนึ่งส่วนคือธาตุรู้ แล้วมีธาตุสี่ก็ดินธาตลมใสแันนี้มันก็มันก็มีอยู่ของมันมาตั้งแต่นั้นเดิมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเราเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟภาษาโบราณแต่ในยุคปัจจุบันถ้าจะใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ถ้าจะเปลี่ยนเป็นของแข็งของเหลวการแล้วก็ความร้อนอุณหูมิันก็เป็นลักษณะของสิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดีแล้วอีกสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเป็นปรากฏการธรรมชาติก็คือความว่างเรื่องอวกาศทุกสิ่งทัก อ, อย่างองมีอวกาศอยู่ที่นตั้งใช่ไหมร่างกายเราก็ต้องมีมีพื้นฐาน ม, มีมีความว่างเป็นพตั้งถ้าห้องของคุณอมอเต็มไปได้วยของนี่ร่างกายของคุณหมอก็เข้าไปอยู่ได้ ต้องมีอวกาศต้องมีสเปซภาษาฝรัขาเรียกว่าสเปซอันนี้เป็นสิ่งที่มีว่ามาอยู่ตลอดเวลาส่นที่มีชีวิตที่เาเหน็นกันก็คือเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับได้เปน็นต้นไมายบาญ้าน้ำใจของมันมันทำาจของสั ต, าตาวก์การเลยก็พวกพวกอเชื้อโรคต่างๆนี้มันก็เกิดก็ ด, กดับได้แต่มันไม่รู้มันไม่แต่มันไม่มีวิญญาณของเัืนี้ เพราะนี่ขอสิ่งนี้ในชีวิตบางอย่างก็มีวิญญาณมันบางอย่างเขาไม่มีวิญญาณ่ามาร่วมสำกรมด้วยร่างกายของมนุษย์ร่างาสัตว์ระฐานีมีวิญญาณมาร่วมด้วยแต่ร่างกายของวราอย่างนี้ของเชือโรค อ, อย่างนี้ที่ว่าไม่มีนะนนเพรยยาะมันพราะจิตวิญญาณจะมาต่อกับร่างกายที่มีมีตาหูจมูกร่งกาย เพราะว่าจีต น, นี่มันต้องการใช้ร่างกายที่มีต า, าองศาหนึ่งในการเป็นเครื่องมือในการเสกโลกแห่งจิตวัตถุคุณปฐุมมาตรครับถ้าเราเดินออกกําลังกายแล้วเราสวดมนต์ไปด้วยจะเกิดกุศลไหมคะถ้าสวดไปแล้วทาให้ใจเราสงบก็เป็นกุศลถ้าสวดไปแล้วใจเรายัางรออย่างเพ้อเจ้ออย่า ง, างใจเราไต่สวดแลไม่ละเมิ ไม่มีผลอะไรไม่มีผลต่างจากการที่เราไม่ได้สวดมันถ้ายังไม่ได้ผุดถ้าจะสวดต้องตั้งใจสวดอยให้ใจเราประ ค, คิดเรื่องอะรท่องถังไม่ใช่เดินไปสวดไปแล้วก็นอนนุ่มนอถสินั้นนอนสนี้ไปด้วยทำอะไรคนกนำลไปหลุดอถ้าอย่างนี้ก็ไม่เกิดผุดถ้าเดินไป้็มีแต่การสวดสการ์ในสยามนีน้มันก็จะทําให้เรามีสติขึ้นมาได้ซึ่งบทที่สองเนีาย จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับการเบียนถามาพระอาจารย์ค่ะหากเรานั่งปฏิบัติธรรมแต่ละวันสภาวะการรวมจิตไม่เหมือนกันหากวันไหนไม่สามารถรวมจิตได้วันนั้นจะได้บุญไหมคะมันก็ไม่ได้เพราะบุญคือคู่ความสงบถ้าจิตไม่สงบมันก็แสดงว่ายังไม่ผ่านทำข้อสอบก็คือว่าทําข้อสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้คะแนน แต่ถ้าทํามาจุดสงบมันก็ผ่านก็ได้กันหาก็ได้คุนนคณนํารุ่งครับพระถืออาวุธจะไปฆ่าพระเป็นอาบัติปราละหรือปลาชิต ค, ค่ะก็ยังไม่ฆ่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นปลาชิด ต, ต้องฆาน้องทำให้พ่อตายก่อนไม่เป็นปลาชิดแล้วถ้ามีอาบัติไหมครับอาจารย์ครับถืออาวุธไปอย่างเนี้ย ก็ไม so so, ่ทราบว่าม <Pues> ีข้อห้ามในการถืออาวุธหรือไม่อาจจะมีอาจจะเป็นอาบาดเบาก็ได้แต่ถ้าถือนีดไปเอาไปตัดตัดเชือกตัดอะไรนี่ก็ก็ไม่หมาเนอมันเรื่ออาวุธนี่ไม่หสามารถเอาไปใช้ทําะไรอะไรได้เอาขวานนี่อาจจะเอาขวานไปไปไปถาถาสาม้๊าถาอะไรนี่ก็ไปได้ออ ทราบไหมว่าหัวพันด้วยกันไปเป็นการเป็นเอจลิ้นจิ้มต้องรอบครอเหมือนกันนะครับอาารย์มินิฉายยากนะครับถือไปไหนเลยเพราะว่าบางอย่างมันไม่มีในเหตุการณ์ในสมาธ่ พ, พุทธการด้วยครับมันก็เลยบางทีมันก็เหมือนกัะธนาความธนาบางทีมันไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคดีตัวอย่างมาให้สิครัมก็เลยงงว่าจะวิเคราะห์ยังไงกับเรื่องใหม่ เราอาศัยการวริเคราะห์แล้วก็เราต้องถือว่าในศาลเราให้ศาลกับพนักผู้ที่กล่าวหาแล้วกับผู้ที่ถูกผู้แก้ต่างให้มาหาข้อสมุปว่าผิดแล้วไม่ถูดแล้วก็ใช้คดีนั้นเป็นพื้นฐานต่อไปแม้ก็มีคดีที่ท้ายคือศาลเ้าอาศัยมันคดีนั้นมาเป็นพื้นฐานได้แต่บางทีถ้ามันไม่มีคดีมาก่อนสมัยก่อนถ้ามีพระเจ้าก็าอาศัยพระเจ้าเป็นผู้ตัดสิน พ ร, ระเจ้าจเหมือนกับเป็นผู้พิราาักษาเป็นผู้ปรับจีพานแต่บางทีพราไปทำอะไรไม่ไมไมสวยในงานเข้าไปพ้องพระเจ้าเชื่อว่าตอนตอ น, ตอนนี้ไม่มีทางวิ่งไหนไม่มีสินจะมายเจ้าเขาอยู่ไกลๆให้ผู้ไปหวนนินรุธพระรหัสนะพรนี่ท่านสำรวมกายวาจาใจท่านไม่ไปทาอะไรที่ให้เสีเสยให้กับการเสียหากับผู้แต่ต่อมาเมื่อ ศาสนามีชื่อมีเสียงขึ้นมีคนนับนับถือศาสนามากขึ้นก็มีคนมาบวชซึ่งมีเป็นพวกที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยรักษาศีลมาก่อนนั่นเป็นเหมือนสมัยยุคยกรกๆนี้เป็นพวกนับบวชมาแล้วแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระแล้วกันนะพระเรานี้ยไม่มีปัญหารับคนที่มาบวชในภายหลังนี่ยังไม่รักษาศีลกันยังไม่เคยรักษาหรือรักษาไม่พรบเป็นคารวะเป็นขาดรูปคารวะ พังหลวงก็ไม่รู้ว่ามิถีชีวิตของพระนั้นเป็นยังไงก็ไปทาข้อผิดต่ตางๆพอไม่ทำผิดแล้วก็มีค น, ป น, นคไปกองพรสดาพราาเรียนมาสาสวนธอทาที่ถิดจินด้วยไ่้าผิดจียงแต่แรามีห้ามทำนะแต่ในกรณีนี้ธอเป็นครัข้งแรกไม่ถือโทษเจอแต่ถ้าใครมาทำเอาแ ย, ย่งอยากต่อไปนี่ไป อ, อยากเขียนเปาว อย่างคนีอย่างปาราชิกสีเนี่ยเรื่องของการเสด็จเงินถึงของทาง่านตอนมตั้ก็ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามเสด็จจนปรากฏว่ามีข้ารุ่นหนึ่งไปเสด็จมถึงยยกับภรรยาเกับ <Okay. S 1> พ่อแม่พ่อแม่มีพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ม ส, สมบัติเงินทองเราอยากจะมีบุตรมีหลานมารับมีสืบทอดกรนก็เลยจะขอร้องคระวหาเป็นเงนกับแทนเมื่อคืนเนี่ยเพื่อที่จะรด้ขลุ่ยานให้พ่อแม่ จะได้เอามาเอามานับสมบัติของพ่อแม่เมื่อตอนนีไม่มีผู้รับมาเลยพ่อแม่ตายไปภรรยาก็อาจจะตายไปด้วยเขาจะไม่มีใครรับมาทอดนถ้าภรรยาไปมีสามีใหม่เขาเขาไม่อยากให้เป็กดครอบสากับครอบครัวหม่เขาอยากจะให้ลูกให้ล้านเป็นผู้รับมาเขาก็เลยขอร้องพรามาช่วยไปนอนหลับภรรยาคืนเดียวช่วยทํำลูก เ, าาเขาพาก็ไม่มีข้อห้ามขนาดนั้นมีี่ยวรัม่มีประสาชิกข้อห้ามเสร็จ น, น, นี่ควรก็เลยคิดว่าทําได้ก็เลยไปนอนกับภรรยาเก่าเป็นภรรยาเก่าแต่พอพอไปทําแล้วจิตมีความรู้สึกไม่สบายใจก็เลยไปกราบเทวนถามพระเจ้าว่าทำอย่างนี้ถูกไหมเพราะใจแล้วรู้สึกไม่สบายใจ จก็เลยบอาทไม่ได้จะเป็นนบวชแล้ว จ, จะต้องซื้อคนมาจาดตอนน่อไปนี้ถ้าไทยทาอย่างนี้ต้องถื้อเป็นปวัวชี้ไทยไปเรื่องเราในการจะต้องเสร็จไปอยู่กับศีีการเลยนะครับมาอยู่ยนนทั้ทนะ่าอีกการีที่าของพระวินัยแต่ละข้อถ้าเราไปศึกษาในในวินยัยระจะมที่มาที่ไปของของพระวินัยแต่ละข้อความกขึ้น ไ, ได้ ถ้าพิสูจน์่ใดรุ่มหนึ่งไปทําอะไรขึ้นมาแล้วมีควมน่าฟ้องว่าไม่สวยไม่งาไม่สํารวมอุจาราก็จะเรียกมาสอบถางแล้วพอได้ควาก็จะตัดสิสนว่าถูกหรือผิถ้าติดก็เป็นข้อห้ามตอบคดีห้ามทำท่นเอาทำแบบนี้ต่อก็มีมีคนมีคนมาบวชใหม่เล็กเพิ่มขึ้นมากขึ้นสิ้นจากนั้ไม่กี่ข้อละกลายเป็นสองร้อยี่เจ็ดข้อ ถ้าผมจะจ้าอยู่จนวันนี้ไม่นู้เสียเงินถึงหนึ่งพันข้องหรือเปล่าถ้าไม่ไดเรื่องใหม่ๆ ม, ม, มาประกาให้รับรู้กันอยู่ เ, เรื่อยนะแต่ที่วิราวิจัยของสังคมอยูทุกวันนี้เอ๊ะถ้าทํานี้ได้ต่อเล่นี่ยทำนี้ได้หป่ะเดีนไปไปแข่งขันเล่นเกมได้หรือเปล่าเนี่ยันวันเก่าก็มีมข่าวเสมอืมในยุคสมัยพุทธการนั้วเมันไม่เกมให้เล่นครับเองมันไม่ได้เนาะเกมกมันจะเป็นเรื่องของคาราวาส ทำอะไรพธธการก็มีเด็เล่นเกมอาจจะเล่นกระโดดกระโดดเชือกกระโดดอะไรก็เป็นเกมเนี่ยครับอนนี้มีฟิตเนสด้วยครับอาจารย์ย้ายไปหมดเลยครับคุณวัสินีครับ ถามเรื่องการคลองเดือนค่ะเราเป็นคนไม่เคยหึ ง, ห, งหวงแฟนเลยเพราะคิดว่าความรักคือการเห็นคนที่เรารักมีความสุขเลยไม่เข้าใจทําไมว่าการเห็นคนที่เรารักมีความสุขกับคนอื่นปกติคนทั่วไปถึงเกิดความไม่พอใจและโกรธแค้นกันคะทําไมไม่เหมือนกับที่เรารักพ่อรักแม่หรือรักลู ก, ลกคะถ้าเราคิดแบบนี้จะมีปัญหากับการใช้ชีวิตคู่ไหมคะพยายามจะหึงแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้เลยค่ะ เพาะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าคนที่เป็นทีื่อนเราเป็นสมบัติของเราจะ ต, ต้องเป็นของเราเพียงคนเดียวคนอื่นจะต้องไม่ได้เขาโหวตหมายว่าเป็นของเฉพาะคนเป็นเหมือนใจสีผ่านนี้ใจผู้พนันขไม่ราใช่ของเราคนเดียวคนอื่นใช้ไม่ได้เขาก็รัเขาก็รักใจเขาเมือนเขารักของที่เราเขามาใช้ส่วนตัวในถ้าใคร ไปไะยึดกับแครเขารับแฟนไปยึดกับคนอื่นนี่เขาจะทําให้เขาเสียใจยมากแต่ถ้าคนคิดแบบนี้ได้ก็ดี ม, ม, มีความที่ที่ที่ที่สูงไม่ง่ายหรือมีความคิดว่าเอารับแฟนเราช้าเขามีความเกิกับการมีไปรักคนอื่นด้วยแล้วก็ยินดีให้เขาไปรักด้วยเขาเพื่อน่าจะมีปัญหาเวลาก็จะเข้าไปดีมีอะไรกับคนหนึง่งแล้วก็ไม่โกรธแล้วไม่หงุดิดครับก็อยู่กันหน้าอาจจะใช้ ใช้ชีวิตผู้ก็จได้อย่างสบาที่มีปัญหาการข้ออากเสมหวงมากกว่าในแต่บางทีสงสัยในเรื่อที่แต่ยังไม่รู้ว่าข้อใสมีจริงหรืไม่กริงมีจริงแต่ถ้าจะไปคุยกับคนนี้คนนี้เพามีท่ะสิ่รขบเกี่ยวข้องเขาพู่คุยด้วยพอเห็นเขาไปคูดกับผู้รู้อยู่านนี้เขาปัจจัยกร า, ารอักเงหวปจาัยการไม่สบายใจิขึ้นอยู่กับว่าความอักหังมีมากมีน้อยถ้าหัวมากรักมากหวงมาก คุณสุพิยาครับเมื่อเผชิญกับเวทนาใช้อุบายอะไรครับเพื่อให้อยู่กับทุกขเวทนาที่บีบคั้นนั้นได้ครับโดยต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเลยใช้การสวดมนต์อะไรไปเพื่อให้ใจเราไม่ปลาให้ความสําคัญกับทุกขเวทนาที่เราเจอเนเวลาเราดูภาพประยนต์นี้ถ้าเกิดเราปวดชีวิต แล้ก็เกิดความคิดไปธนาขึ้นมาแต่บาทีเราทนทนได้เพราะเราไม่ไปนสนใจเราสนใจอยู่กับการดูภาพรวมกตัวว่าเดี๋ยวจะขาดอนเพราะถ้าเราเกิดไปเข้าห้องน้ําช่วงที่กํำลังกาลังกำลังมันอยู่ใน่วงสนุกสยู่พอเราไปต้องนั่งขับมาจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหน้าในตอนนั้นกันเราก็เลยไม่เราก็ไม่อยากจะยุบเราก็เลยไม่สนใจกัาการเจ็บส่วนของ ของการเปลี่ยนแปลงเราก็ดูแต่ภาพพยนต์อย่างนี้จบแล้วค่อยลุกพ่อไป่ายกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเราถ้าเกิดร่างกายเกิดเวทนาขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจหาอะไรที่ทําให้จิตเราสนใจเส้นส่วนนวลไปส่วนนวลหรือการส่วนนวลถ้าเราสนใจกับการส่วนนเราก็จะไม่ไปสนใจกับการเกิบของนั่นการเกิของร่างกายก็จะเป็นการลดความใจใจเราก็จะอยู่ของมันได้ คุณแคทครับปฏิบัติธรรมจริงๆที่ได้ผลควรจะศึกษาปริยัติหรือไม่เพราะตอนปฏิบัติจริงๆวางให้วางหมดสับสนค่ะสองก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องศึกษาวิธีการกัอเนี่ยราจะพิมดเนี่ยเราจิไปพิมพ์ดิจิตเองโดยที่ไม่มีการสอนนี่ม่นจะพิมพ์ดคงไม่น่าได้จะจมไม่วางสงนิ้ถ้าเราพิมดิกิตสัมผัสนี้เราต้องไปดู สมัยตอนเข้าโรงเรียนสอนพิมพ์ินะครับอที่เยนการเรียนมพ์บจะไม่มีพิมพ์ที่บ้านจะมีเนหือนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สมัยก่อนแต่นั้นเป็นคาเฟ่สำหรับผู้ที่อยากตะพิมพ์บิถ้าไปไปเรียนพมพดเขาก็จะเก็บค่าแล้วก็จะมีวิธีก็มีจะมีการสอนให้พิมพใช่สัมผัสพิมพ์ในแต่ละขั้นแต่ละตอนต้องเรียนก่อนนับถือค่าไ แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนจบรารกไตรปิฎกแล้วไ ป, ไปปฏิบัติเพราะไม่ไม่ น, นั่นเป็นการเข้าคลาเรียนอย่างยุงนี้เขามีหลักสืรอนุ ญ, ญาติทำที่มันอาจจะมากกที่เราจะเป็นจะต้องรู้ก็ได้ถ้าอจะรู้จากวิธีนั่งสมาธิทำไมก็ไปเรียนวิธีนั่งสมาธิอย่างเดียวพอถ้าเราอยากจะรู้วิธีรักษาศีลรักษาอธรรมแล้วก็ไปรับไปเรียนวิธีรักษาศีลอย่างเดียวพอไม่จําเป็นต้องไปเรียนเรื่อง อ, อื่น แต่ละคนในนี้ก็มีความเป็นมืหนักทำมีมือหนักสูตรนักทำปีโทเองก็มี เ, เหมือ น, นั้นก่อนไม่เป็นการขอดเป็นปฏิบัติได้อันนั้นไม่ใช่เป็นไม่ต้องไม่ต้องเป็นเรื่องแบบนั้นเอออยากจะฝึกสมาธิเพื่อปล่อยวางเพื่อจัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราต้องศึกษ์ที่ที่ต้องต้องรู้เท่านั้นเองรู้วิธีนั่งสมาธิรู้วิธีปล่อยวางว่าปล่อยอยังไงทำยังไงถึงปล่อยวางได้ ้็ต้องรู้ว่ามีไปลรู้ว่าจิจทุกคังนจ๊ะก็รูเท่า น, นี้เองก็พอคุณแรงบันดาลใจครับการนวัศาการพระอาจารย์ค่ะเวลาภาวนาพุโทโธสามารถภาวนาได้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเจ้าคะเวลามีความคิดแท่คือต้องเร่งความเร็วหรือภาวนาไปพร้อมลมหายใจเข้าออกคะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ ถ้าเวลาเราเน้าเนี่ยเราจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้เราจะใช้พุทโธควบคู่ไปกับลมหายใจเข้าก็ได้หและไม่ใช้พุทโธเลยก็ได้ใช้การดูดลมหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เราจะใช้แต่ถ้าเราไปใช้พุทโธควบคู่กับลมหายใจเข้าเวลาที่เราต้องการที่จะพองระพุทโธให้เร็วขึ้นนี่เราก็จะทําไม่ได้เพราะเราหายใจมันไม่เร็ว เราไม่สามารถทําให้ลมหายใจาเรียวเท่ากับการเดินทางพุทโธไม่เร็วไ ด, ถนนถด้ถ้าเา ห, ห็เนตอนนั้นเราก็ต้องทิ้งลงไปแล้วก็ให้พอนากพุทโธอยูเฉยๆถ้าเราต้องการพอนักพุทโธให้เด็วขึ้นเห็นก็เราต้องจ่ายความเหมาะสมของเราว่าเราเราตราถนัดอย่างไรแล้วเราชอบนี่แนาแล้วเวลาที่จะต้องเดินทรงเร็วถ้าเรารู้ว่าเราจะถูกไไมัไว้กับพุทโธไม่ได้ถูกคนน้อยกับลมหายใจไม่ได้ถ้าทิ้งลงไป คุณพา ร, ณ ร, รัตครับกลาวเมัสกา ร, การพระอาจารย์ผมอยากถามว่าการลดอุปทานยิดมั่นถือมั่นทำให้ลดความทุกข์ลดความโลภได้อย่างไรครับนเพราะคำว่าเยอะจ็คือความรักยิ่งยิ่งเยอนมากจะยิ่งรักมากจะยิ่งเยมายิ่งโงมากพอโงมากเวลาเสียมันก็ยิ่ทุกข์มาก ของอะไรที่เราไม่ยึดใน่ห่วงนี่เวลามันมันมันเสียไปเนี่เราจะไม่รู้สึกอะไรแตเวลาเราใช้ของของคนอื่นนี่เราจะเป็นของของเของที่ไม่ได้เป็นของเราเป็นของคนเป็นของบริษัทเราจะไม่ค่อยยึดกับมันขนาดไหนรถมันจะพังคิมบีมันจะเสียเราก็ไม่ค่อยจะกงังวลขนาดไหนเสี้ก็เสียแต่เสียเดี๋ยวบริษัจ่ายซ่อมให้แต่ถ้าเป็นของเราอย่างนี่เราจะเราจะยึดกัมันมาก หลวงมันน่าเพราะเราควรถ้าเวลามันเสียแล้วก็พักกเป๋าจ่ายเงนของเราออกไปฉะนัก็คือเนี่ยแหละเราอย่าไปรักอย่ยไปยึดไปหวงใหม่แล้วเวลาก็จะไม่ทุกข ถ, ถ้าเวลาเรายึดเราลากเราห่วงเราจะทุกเวลามันเกิดอะไรขึ้ น, นคุณปฏิทิพย์ครับขันห้ามีเวทนาทางกายประจําธาตุขันเช่นความเจ็บความปวด ส่วนเวทนาทางจิตประจำขันมีหรือไม่เป็นอย่างใดครับและควรพิจารณาในอริยมรรคท่านใดขอพระอาจารย์เมตตาครั บ, รบกอ็อารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆอารมณ์หนุบหนับอารมณ์เศร้าหมองนี่ถือว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพรเวทานานแต่มาทางจิตไม่ได้มาทางร่างกายร่างกายจะสุขสบายแต่ไปเพียกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์กางใจ ท, ที่มาจากเราลงจากความคิดปรุงแต่งหรยวว่าเรื่องการงานอะไอันนี้ก็เป็นเวทนาที่มาัมาจากทางใจยทางกิตให้วทนาไปมาได้สองทางื้อยต้นเราต้องกํากจัดเวทนาทางกายก่อนไม่ไดากําจัดไม่ได้กําจัดก็คือเราปล่อยวางเวิาทยาทางกายให้ได้ก่อนเป็นข้อสดาแบบนี้ปล่อยวางวิทนาทางกายนะต่อไปก็พอพอไปผาน ถ้นานาฬิกาทำเองได้ก็ไปเจอเวทน า, านน ท, ทางใจมาเวทนาที่เกิดจากใ จ, กจกคืออ า, อารมณ์ต่างๆอารมณ์หมกติดอารมณ<ม>์เศร้าหออารมณ์เพียรอารมณ์ไม่พอใจเพราะการถือเนื้อถือตัวมีมีอะไรมีการถือเนื้อสือตัวเพราะไม่มี ใ, ใครทาตามเราเราก็หมกติดไม่พอใจขึ้นมาไม่ให้ความรัรอให้การนับถือเราอันนี้ก็เป็นเวทนาทางใจและที่เกิด ทุกขเวนาทา่านใสถ้าเรามาพิจารณาแบบเดียวกับที่เราพิจารณาทางทางร่างกายว่ามันเป็นใรักนกันเราก็ต้องอดอยู่กับมันไปถ้าเราไปหาสาเหตุที่แก้มันได้ก็แก้มันไปหาสาเหตุแก้ไม่ได้ก็ต้องทําใจอยู่กับความมงุดหงิดไปอยู่กับความทุกขไปแต่ถ้าเราสามารถเจาะไปถึงสาเหตุของความทุกี่ได้มันเกิดจากความอยากอย่างใดอนึ่ง ถ้าเราลาภามอยากหน้าเราก็แก้ไม่ทำ ง, งาทําใจได้คุณอนัญญาครับกาบเรียนถามพระอาจารย์วันไหนบริกรรมพุทโธขณะหลับเหมือนรู้สึกว่าตนรู้สึกตัวตลอดแต่ก็ไม่ได้ตื่นกลางเดึกคาในวันนั้นและพอตื่นเช้ากลับไม่รู้สึกเคลียอยากเรียนถามว่าจิตเราขณะนั้นเป็นอย่างไรคะไม่รู้เหมือนกั น, นครับ่านม่นได้ยินในสารนี้สา ม, มารถบริกรรมพุทโธได้ขณะหลับนี่ก็เก็ง เพราะเสิร์เนริกมเนไม่ใช่งาบริกรรมได้แค่สี่ขั้นสี่สีคาบันเวลาเราจะไปรู้อะไรมากมาได้ใช่หเราก็ไม่รู้เตอไม่ได้เรื่องพูดเรื่องหนับเนะี่ยขอผ่านดีกว่าเานาญเรื่องหลับคุณพิชยสิรีครับการพิจารณาอาการ32ควรทาในเวลานั่งสมาธิหรือตอนออกจากสมาธิแล้วคะ ไม่ควรทำตอนที่ทำสมาธิา ê, ต้องการทำสมาธิต uh ้องการหยุดความคิดต้องการทำสิหตแทนการพิจารณาเราก็ต้องใช้ควาคิดถ้าพิจารณาแล้วก็จะไม่ได้สมาธิจะได้ปัญญาแทนนั่นคือเหว่ยวาเราต้องการอะไรเราต้องการสมาธิทวามสงบหรือถ้าเราต้องการปัญญาเราก็พิจารณาแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อสมาธิหรือทำเพื่อปัญญา ถ้าทาเพื่อปัญญาก็พิจารณาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนเดินยืนนั่งนอนีพิจารณาได้ยตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องการทําจิตให้สงบนี้เราต้องหยุดคิดพิจารณาไม่ได้ต้องใช้สติพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อหยุดขาดคิดแทนใครได้ถึงจะเข้าสมาธิได้คุณนัทวัตรครับ คนที่มีความคิดขัดแย้งกับความต้องการจริงๆเช่นจิตสั่งให้ไปตายแต่ใจจริงไม่อยากตายกลัวตายมันเกิดจากอะไรครับความคุ้นชินจากอดีตชาติหรือเปล่าครับผลของกรรมหรือคนปกติที่หลงอะไรสักอย่างจนไม่มีสติมากพอทําให้เกิดความคิดปุ่งซ่านไร้สาระมากขึ้นครับมันเป็นความคิดเสแสร้งว่าฝัมันไม่ใช่เป็นความคิดจิงจังความคิดมีคิดแบบเสแสร้งก็ไดคิดแบบจกิงจังก็ได ที่บอกให้มึงไปตายจะถึเนะี่เป็นการเสริมแซพูดไปได้ผู้อยาซ้ายแล้วเกินคุณก็ชิดได้แต่พอถึงเวลาจะตา ย, ยาจริงๆไม่ยามตาย ค, คุณวริษาครับการพิสการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามลูกไม่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาบอกว่าเขาไม่มีศาสนาแต่ตัวโย ม, มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนามากๆจะพูดหรือใช้วิธีการอย่างไรเขามีศรัทธาเจ้าคะ่ะ สายเป็นเชรั้นเราควจะสอนเตัง้งแต่เขาเป็นเด็กคนรจะพาเข้าวัาตั้งแต่ตั้งแต่อุ่นไปเลยให้เราได้สัมผัสจับจาบนาให้ได้เห็นสัมผัสกับการ ก, การะทําั บ, บางศาสนาม้ยะย่าโยมพาลูกามาใส่บาตรบางทีอุ้มมาใส่บาตรอุ้มใส่บาตรหรือบสก็เหลืแค่สองามขวดนี่ต้องหัดทาตั้งแต่เป็นเด็ก ให้เขาได้สัมผัสราบรู้เรื่องของศาสนาบะเถรอะเถื่อนน้อยแล้วเขาก็จะเกิดความเชื่อเกิดกับมศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ศรัทธาก็ช่วยไม่ได้เราเป็นเรื่องของของกรรมของเขาคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบศาสนาเขาไม่ชอบเชื่อในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทันทีทันใดเรื่องของศาสนาพิสูจน์ได้จะ ต, ต้องใช้เวลาต้องใช้ความพริยา มีขั้นตอนของการพิสูจน์แต่ถ้าเขาไม่ยอมผ่านทําทำตาขั้นตอนเขาอยากจะพิสูจน์แบที่คว่ำไฟปักไเห็นไฟติดทันทีถ้าอย่างนี้เขาต่าจะไม่เชื่อลงอักนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไปที่เราไม่สามารถที่จะไปบักเับได้คุณสมพรครับโยมจะฝึกกรรมฐานในชีวิตประจําวันได้อย่างไรน้อมเขาแนะนําจากพระอาจารย์ครับ อ่าก็การท่อพุทโธก็เป็นการฝึกกรรมฐานอยู่แล้วไงพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบเรียกว่าพุทธานุสติพอท่องพุทโธพุทโธไปก็เปิดกรรมฐานแล้วหรือว่าถ้าคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็เรียกว่ากายกัตตากายกตาสติก็เป็นกรรมฐานอีก่งครับกรรมฐานเนี่ยมีแบบเป็นนุสติอยู่สิบชนิดด้วยกันนุสติคืการระลึกหรือว่าถึงเรื่องใดเรื่องนึสิสิ่งห เราเล็กลงวาพะพุทธเจ้ากับพุทโธวเราเล็กถึงพระธรรมคำสอนพระธรรมโมเราเล็กถึงลมหายใจเข้าก็ดูลมหายใจเข้าเราเล็กถึงความตายเราเล็กถึงอาการสามีของร่างกายแล้วเราเล็กถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายคอย่อยเฝ้าดูว่าร่างกายอันนี้กาลังทําอะไรอันนี้ก็เรียกว่ากายยักตาสติอันนี้ เ, นาายยนเป็นหนึ่งเป็นเป็นอนุสติธรรมฐาน เป็นกรรมฐานสิบชนิดที่ที่มีอยู่ว่าเนอยู่ในในกรรมฐานสี่สิ บ, สบนียคังนั้นถ้าคุณจเจริญถ้าคุณบริกรรมพูดโทพูดโธนี้คุณก็กําลังเจริญฝึกกรรมฐานแล้วแล้วถ้าคุณคอยเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาว่ากำลังทําอะไรอยู่กำลังอาบน้ําก็จะอยู่กับการอาบน้ากําลังล้างหน้าแต่งฟันถ้าอยู่กับการล้างหน้าแต่งอันนี้ก็กำลังเป็นการฝึกกรรมฐานฝึกกรรมฐานก็ฝึกสติในะพูดง่าย ตอนใช้ภาษาหลายอย่างสอบสวนกันไปหมดแต่มันจะเป็นตัวเดียวกันฝึกสติฝึกกรรมฐานที่เป็นเรื่องเดียวกันใช้กรรมฐานเพือฝึกสติความเราต้องการฝึกสติโดยการใช้กรรมฐานเป็นเป็นเครื่องมือแล้วบางทีเราทันที่พูนนพดฝึกกรรมฐานก็ฝึกสติแล้วก็ฝึกกรรมฐานแทน ค, คุณน้องหลินครับ หนูเคยเรียน a n a t มี y เห็นลำไส้คิดถึงของกินพวกไส้กรอกไส้ตันแล้วน้ําลายไหลอันนี้เป็นเพราะความอยากใช่ไหมเจ้าคะตกใจนึกว่าเป็นสีอุ่นเจ้าก็จะเป็นเพราะเราเคยชอบไส้กรอกมาก่อนเพอนนั้นน้ำน้ำไส้แทงที่เราจะเกิดการขยะขยายแล้วก็เห็นรู้มันเป็นขลงอร่อยไปเพราะลำไส้เพราะไส้กรอกมันก็ทำมาจากลําไส้ของสัตว์นั่นเอ คุณอภิรดีครับตอนที่ฝึกพิจารณาถึงอวยวะต่างๆก็รู้สึกเฉยๆได้แต่พอเห็นของจริงเช่นดูร่างกายที่มีการแสดงการผ่าให้เห็นกลับมีปัญหากับการรับประทานอาหารไปหลายวันเป็นเพราะอะไรแล้วต้องฝึกอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าความจริงมัน ม, มีที่ทนมากต่อต่อของความไม่จริงนั่นเองนก็ถ้าจิตเรายังมีปฏิกิริยานี้แสดงว่าเรายังมีสติไม่พอ ม, มีสมาธิให้พอ ไม่พอที่จะทําให้ใจไม่มีปฏิปยา ต, ต่อการเห็นภาพแบบนี้ได้อันเป็นสอนให้เราฝึกสมถะสมาธิไปก่อนกอนที่เราจะได้ฝึกวิปัสสนาเช่นการพิจารณาความตายหรือพิจารณาร่างกายกา ร, รดูซากศพการดูวอวัยวะต่ า, างๆที่มีอยู่าในร่างกายนี้ถ้าจิตไม่มีเบกขาพอนี้แจะเกิดอาการหดภูมจะเกิะอาการของคนเกงกับอาเจียนเลยก็เมืพอไปเห็นภาพนั้นขึ้น นั่นแสดงว่าจิตยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาทางปัญญาคุณวิทยาครับมิจฉาสมาธิหมายถึงอะไรและสัมมาสมาธิหมายถึงอะไรครับสัมมาสมาธิเกิดสมาธิที่สงบนิ่งจิตกระโนเบ็ดขาถ้าสงบเดี๋ยวเดียวเรียกว่าคณิกาสมาธิถ้าสงบได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เป็นสัมมา เป็นสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกที่ควรเพราะว่าเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการไปพิจารณาทางปัญญาได้เพราะมีอุเบกขาพิจารณาความตายพิจารณาร่ารกายจะไม่หดหู่ใจจะไม่มีปัิจัยอันนี้เรียกว่าสมาสมาธิส่วนวิชาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่มีอุเบกขาคือสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิอุบาตนี้เป็นสมาธิที่ไป ไปมีอคญญาต่างๆไปเห็นกายที่ไปละลึกชาติได้ไปติดต่อกับกายที่ไปอ่านวารลจิตของผู้หได้อันนี้เป็นสมาธิที่ไม่มีอุเบกขาเวลาจะมาเจริญวิปัสสนาจะเจริญไม่ได้เพราะจิตจะปิเสธไม่ยอมมองไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมพิจารณาความตาไม่ยอมพิจารณาการสาิบสองเป็นต้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิ การที่นั่งสมาธิแล้วที่ว่ามีมีรทิ์มีมีมีฤทธิ์มีเดชนี่อยากไปถือว่าเป็นของดีเป็นของไม่ดีสําหรับวิปัสสนาเพราะมันจะไม่ทําให้สามารถไปเจริญทางวิปัสสนาได้ต้องสมาธิแบบที่ไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้มีแต่ความว่างความเย็นความสงบความสมายมีแต่อุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หนุอันนี้แหละเป็นตัวที่จะเป็นสมาเป็นสมาธิที่เ สนับสนุนการเจริญวิปัสนาวิปปัญญาต่อไปคุณสมพรครับการทําบุญมีสิบวิธีแต่ทําไมหากได้ทําบุญทําทานกับพระสงฆ์จึงรู้สึกเป็นการทําบุญมากกว่าการทําบุญแบบอื่นๆอเก้าอย่างหรือว่าโยมยังไม่คุ้นชินกับการทําบุญอย่างอื่นครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะว่ามันก็การทําบุญสิวิธีนี้มันก็ให้ความรู้สึกคือความสุขใจ ตามกันไปแต่นั้นก็มันก็มีความสุขใจการฟังธรรมก็มปความสุขใจการธรรมการแจกธรรมะให้กับผู้การพิมหนังสือธรรมะแจกมันก็เป็นความสุขใจการอ่าการช่วยเหลือผู้รับใช้ผู้อืนก็เป็นความสุขใจจช่นบรราสาสมัครไปทำงานเกี่ยวกับจิตอาสาอย่างเนี้ยทําแล้วมันก็มีความสุขใจ แต่มันก็อย่างแต่ถ้าเราเคยชินแต่การทําบุญใส่บาตรกับผ้าอย่างเดียวเราต้อคิดว่านี่เป็นวิธีทําบุญอย่างเดียวครับแต่มันมีวิธีถึงเศษวิธีตามที่มีแสดงไว้รักษาศีลก็มีความสุขใจภาวนาก็ทําให้มีความสุขใจอุทิศบุญก็มีความสุขใจกวดหน้าก็ทําให้มีความสุขใจลองทําอยู่แต่น้องทำเศษวิธีนี้ดู คุณมีโลติกครับทุกอะไรเป็นทุกใหญ่ที่สุดที่ทําให้เราเห็นภัยที่เกิดมาหลายพบหลายชาติครับที่ทําให้สภาพจิตใจเปลี่ยนไปได้มากดึงสติได้ดีถ้าฟังธรรมฟังคําสอนเกี่ยวกับทุกนั้นๆครับโชคใหญที่ใหญ่ที่สุดก็ทคือโชคที่ที่มาเกิดนั่นเองถ้าไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีทุกถ้ามาเกิดแล้วมันก็มันก็ทําให้เกิดทุกชนิดต่างๆตามมายังถือว่าเป็นโชคที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเกิด และการที่ทําให้ไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นก็คือการไม่เกิดพอะทุกข์ย่อมไม่มีกท่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามไปยังมีการเกิดอยู่แต่นั่นก็ยัต้องมีความทุกข์ฉะนั้นจะว่าการเกิดเป็นบอกเกิดสภาพทุกข์ทั้งทั้งหลายก็ได้และบอกเกิดของการเกิดก็คือการกระทําตามความอยากสามประการด้วยกันคือการมารตาัญหาพระวตัญหาวิปวะตรัหา คำอยากได้รู้เสีงยงจิตลดคำอยากมีอยากเป็นคำอยากไม่มีอยากไม่เป็นคุณแพตครับกับเรียนถามค่ะขณะนั่งสมาธิเวลาท่องพุโทโธควรกําหนดจิตไว้ที่ส่วนใดของร่างกายคะเช่นที่ปลายจมูกหรือหน้าผากครับไม่หรอกําหนดอยู่กับพุโทโธเลยถ้าเราใช้พุโทโธเราก็กําหนดจิตมาให้อยู่กับพุโทโธไป คุณต้นหลิวครับลูกจะทํำยังไงดีคะถือว่าคือว่าอยากทําบุญใส่บาตรแต่พระสงฆ์แถวบ้านท่านปฏิบัติไม่ค่อยเคร่งครัดในข้อกฎปฏิบัติของพระสงฆ์เท่าที่ควรทําให้จิตของลูกขัดแย้งอยู่ข้างในลูกเลยต้องเปลี่ยนไปทําทานกับสัตว์เป็นส่วนมากคะ่ะเวลาทําบุญใส่บาตรลูกจะเน้นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่ค่อยได้ไปบ่อยมากเพราะว่าท่านห่างจากบ้านพอประมาณคะ่ะลูกคิดแบบนี้บาปไหมคะแล้วลูกจะแก้จิตแบบไหนคะ อวิธทีทำบุญกับพระไม่ต้องไปเองก็ได้สมัยนี้โอนเงินไปให้ทางวัดก็ได้วัดถวายเป็นค่าสัตย์ใจค่าอาหารอะไรต่างๆค่าพรตาคุณก้องครับการทำสมาธิจำเป็นต้องนั่งเท่านั้นหรือไม่ครับหรือทำกายให้สบายและกำหนดพุดโธได้ไหมครับการนั่งการทำสมาธินี้เป็นท่านั่งเป็นท่าที่เหมาะที่สุด ถ้าเป็นงานกของการที่จะทำให้มันสงบได้ถ้ายืนก็ได้แต่ถ้ายืนมันไม่ได้นานยืนแล้วเดียวมันจะเมื่อยคือท่านั่งไม่ได้ท่านั่งสบายกว่าข้อสำคัญก็คือการทาสมาธินี้กายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งต่างได้ถ้ากายยังเคลื่อนไหวเช่นเดินจงกรมอย่างนี้ใจจะเข้าสมาธิไม่ได้ได้อย่างมากก็ได้แค่สติอันนี้ใจจะรวมเป็นหนึ่งขาดแต่ว่านี้ไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดมีเหตุการณ์ที่อกระทันหันที่ทําให้จิตนี้รวมเข้าสู่สมาธิเช่นเดินยกกบอยู่แล้วประแจเองกับสัตว์ลายเช่นเสืออะไรนี้บางทีถ้ามีสติอยู่พอเห็นเสือแล้วความกลัวมันก็จะทําให้จิตหลบหบเข้าไปในสมาธิทันทีอันนี้เป็นกรณีพิเศษเข้าสมาธิได้ในท่ายืนในท่าเลยน นั่งนอกนั่งแล้นส่วนใหญ่ต้องนั่งสมาธิอย่างไรให้เข้าได้คุณวิทยะครับการเจริญสติปัฏฐานสี่ต้องทําทุกข้อหรือทําข้อหนึ่งข้อใดได้หมดได้ไหมครับออมันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นหลักสูตรที่ต้องทําทีละข้อข้อแรกก็คือให้เจริญสติก่อนฝึกสติก่อนเมื่อมีสติแล้วก็ให้นั่งสมาธิด้วยการเปยนวมหายใจเข้าออก ไม่ได้ดมายใจเข้าแล้วก็มาศึกษาธรรมชาติของร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกายเมื่อปล่อยวางร่างกายแล้วเราไปศึกษาธรรมชาติของเวทนาเมื่อเข้าใจเวทนาแล้วปล่อยวางได้ก็ไปศึกษาธรรมชาติของจิตเมื่อเข้าใจจิตแล้วก็ปล่อยวางจิตได้ก็ถือว่าจบหลักสูตรมันเปน็นเป็นหลักสูตรเหมือนกับการศึกษาต้องเข้าอนุบาลก่อนแล้วก็ไปเข้าประถมแล้วก็ไปมัธยม แล้วก็ไปขั้นปริญญาตีโทเอกตามลำดับต่อไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาเอาตีโทเอกมาพร้อมกันในขณะเริ่มอ่นุบาลเลยไม่มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนที่อ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ที่ว่าโอยเราเริ่มต้นเราทำทุกอย่างได้เลยกายแล้วก็พิจารณาได้เวทนาแล้วก็พิจารณาได้แต่มันมันพิจารณาแบบไม่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อทำอะไรพิจารณาอันนี้ไม่มันมันทําไม่ได้หรอก ในในเชนปฏิบัติเพราะจิตมันไม่มีกําลังที่จะไปถึงขั้นนั้นได้มันต้องสร้างกําลังขึ้นมาเป็นขั้นขั้นก่อนขั้นแรกสร้างสติก่อนเพราะเมื่อมีสติเราจะได้อยู่ความคิดได้ทําให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เมื่อเราทําให้จิตหยุดคิดเข้าสมาธิได้ขั้นต่อไปแล้วก็บรรคับให้มันไปคิดเรื่องที่เราต้องคิดคือไปศึกษาเรื่องความตายเรื่องอาชุพะอะไรต่างๆนี้ได้ ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราไม่มีกํำลังที่จะไปสาัางใันคิดต่อแต่ให้เราฟังว่ากำลังทางนี้เราลองสังเกตดู ว, ว่าเอากับพิจารณากันบ้างบ้า ไ, ไม่มีการไปพิจารณาเพราะมันมันพิจารณาไม่ได้เพราะกําลังของกิเลสมันมากกว่าทางานของกิเลสมนเดินให้เราพิจารณาแต่ความสวยๆงามงามนะอันนี้จะไปดูของสวยๆงามงามที่ไหนดี <laughs> ไม่มีใครเก่งกว่านี้ไปไปเที่อวป่าชา้ากันดี้มั้นี่ยไม่มีไม่ได้แต่ ไ, ไ, ไปผับไหนดีอันนี้ไปผับไหนดีกันคุณปียพงศ์ครับขอข้าพเจ้าถามพระอาจารย์ครับบางทีจะบริจาคทรัพย์มันรู้สึกเสียดายแต่พอมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาผมรี บ, บริจาคทรัพย์นั้นแบบนี้ถือว่าทําถูกไหมครับถูกถ้าเราคิด ว, ว่าทไไํากทำก็ทเลย เพราะว่าแรงต้านมันยังมีเยอะเพราะว่าแรงแรงยึดติดของซ้ํานี่มันมีเยอะแล้วถ้าเกิดเรามีโ อ, อกาสคิดแล้วจะบริจากซัาได้ทําไปเลยเพราะถ้าเราไม่ทำว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเปลี่ยนใจได้ง่ายมันจะเริ่มคิดจมวนแล้วเดี๋ยวเกิดไม่กูไม่มีกินเกิดไม่สบายก็จะมีเ ห, เหตุผลตัดเข้ามาอ้ า, ทางทันทีเลยแต่เวลาฝากกระเป๋าไปเที่ยวนี่มันไม่มีเหตุผลมาอ้างเลย <laughs> กิเลสมันร้ยนั้นแหละนานๆถ้าเรามีทำโผล่ขึ้นมาทันทีรีบตัดตัวโอกาสนั้นทันทีกระโดดตามทำไปเลยพอทำมาชวนก็รีบไปเลยถ้าเรารอเรื่ยๆกิเลสมันตามทำแล้วกิเลสมันจะเริ่มมาสร้างเงื่อนไขนนต่างๆทําให้เราทําไม่ออกคุณคุณปุ้ยครับวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องความกลัวขามื่อเช้าเห็นกบในระยะที่ตกใจค่ะ มีแวบความกลัวเกิดข like like so like so ึ้นเลยสงสัยว่าทำไมถึงกลัวหรือตกใจมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีสติกำกับหรือคะถ้าคนที่มีสติกำกับตลอดจะทำให้ไม่กลัวหรือหรือครับก็อยู่ที่ว่าได้ฝึกผลอบรมแล้วเปล่าความกลัวมันเป็นเป็นเหมือนธรรมชาติของจิตที่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญามากพอแต่ถ้าฝึกสติฝึกปัญญามากพอและเข้าใจถึงเรื่องของชีวิตว่า นั่การนี้มันเป็นของชั่วคราวนั่นชาก็เรียนมันก็ต้องตายแล้วก็ไปไปพิสูจน์ด้วยการไปพบกับสิ่งที่น่ากลัวต่างๆจนหายกลัวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นหน้าต่อไปมันก็จะไม่กลัวเลยแต่ถ้าไม่ได้ฝึกถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ทจำต้องกลัวทันทีเวลามีอะไรก็ะชั้นคิดขึ้นมาไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะกลัวขึ้นมาก่อนงทีมันมันเป็นของที่ไม่มีท่อมีใครเลยพางทีกิ่ไว้หล่ลงมาก็ตกใจกลัว่ เชื่อเป็นงูเป็นอะไรขึ้นมานใจเราหลอกเราเอ ง, ง, เ ง, เงหรือบางทีได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาปั๊บก็กลัวเป็นมาเนยมันมีเพราะเราไม่ยึได้มีการรับกา ร, ร, การถูกผลอบรมมาก่อนแต่ถ้าเรารับการถูกผลอบรมเรื่องของวิธีการต่อบต่อความกลัวต่อไปแล้วก็ไม่กลัวนึกถึตอนที่นั่งบนเขาพระอาจารย์บอกว่า พิเทศอยู่บนเขาแล้วพระอาจารย์บอกถ้าตรงนี้งูตกลงมานี่จะผวงแตกกันหรือเปล่าจะตกใจกันหมดเลยใช่ไหมครับท่านเราต้องสมมติเหตุการณ์ก่อนก่านเกิดเลยคุณวิทยาครับการเจริญสัสุภกรรมฐานอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมถึงอริยบุคคลได้ไหมครับได้แต่มันเป็นการการเจริญวิชาที่มันข้ามขั้น วิชาแรกที่เราต้องจเจริญกันก็คือความตายการเจ็บความตายก่อนและเมื่อเราผ่านความเจ็บความตายแล้วเราก็พิจารณาความไม่สวยใน ง, งานเพื่อไปละทําขั้นต่อไปทํามันมีอยู่สีข่ขั้นด้วยกันยุคสามขั้นขั้นที่สองขั้นที่สามนี่มันเป็นมันเป็นขั้นเดียวกันเพียงแต่ว่าแบ่งเป็นเป็นสองระดับคือขั้นสติราคาเมนี่นะ และการอารมณ์ได้ทําให้เบาบางแต่ยังไม่หมดเนี่ยนะพัฒนาทำอยนี้ทําให้อารมณ์ที่ที่เบาบางลงนี่หายไปไม่หมดด้วยการเจริญน่ะสุภาตลอดเวลาแต่ก่อนที่ไปถึงขั้นนั้นถ้านให้พิจารณาเรื่องความตายก่อเรื่องเวทนาบัตทุขเวทนาความเจ็บของความเจ็บทางร่างกายและความตายก่อนให้ผ่านข้อ น, นี้ไปให้ได้ก่อนนล้วถึงค่อยไปข้อต่อไป ก็ได้ถ้าพิจารณาสุขภาพก็ได้ถึงขั้นที่สามแต่ขั้นที่สี่หรือขั้นข้ามหานก็ยังไม่ได้ยังต้องพิจารณาเรื่องของจิงต่ออกไปคุณประชาครับทําร้ายคนอื่นจะผิดศีลเป็นบาปแต่ถ้าทําร้ายตัวเองจะเป็นบาปเท่ากันไหมครับก็เป็นบาปเหมือนกันจะบาปมากกว่านี้เพราะเรารัะตัวเรามากต่อรัุคน กางทำร้านตัวเราได้แสดงว่าเรา เ, รา เ, ราเราต้องมีความหัวเทียมมากมากประาการที่เราไป ท, าทําร้านผู้ทำร้านทุนกือก็ต้องใช้ความหัวเทียมนะไปทำร้านกับคนที่เรารักเช่นพ่อแม่หรือตัวเราเนี่มันยิมันยิ่งขอเทียมอย่ามันยิ่งบาปเข้าไปใหับคุณสีเทพครับทําธุรกิจขายของมึนเมาบาปไหมครับทําไมผมเห็นเขาร่ํารวยเอาแล้วถ้า มาอุปถากพระอาหารหันต์จะลบล้างได้ไหมครับการทําอาชีพที่เกี่ยวกับอบายมุขนี่ไม่บาปแต่อาทีพที่ไม่พฤกษธรรมเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เขาไปไปไ ป, ไปเสกอบายมุขแล้วก็จะทําให้เขาอาจจะต้องไปทํำบาปต่อไปได้เพราะอบายมุขเสกแล้วก็จะทำให้เช่นธุราก็ทําให้เขามุนเมา แล้เวลามันเม า, เากราดก็คุมอารมณ์ไม่ได้เวลาโกธร้นมาก็อาจจะไปทำบาปเขาได้อย่างไไง่ายดายไม่ควรที่จะส่งเสริมอาชีพแบบนี้ไม่ควรจะมีธุรกิจทําธุรกิจแบบนี้แต่ถ้าเขาเล่าโดยรักเอาเงินนี้ไปทําบุญเขาก็จะได้บุญแ ต, แต่เมื่อเขาไม่ได้ทำบาปเขาก็ไม่มีอะไรบาบที่ต้องรับราแต่เข า, าจจะไปทําให้คนอื่นทํำบาปนะ แล้วบาปนั้นก็อาจจะมาทํามันเกิดที่เราก็ได้เพราะคนเรานี่ก็า จ, จะมาเจอเราแล้วก็อาจจะไม่พอใจเราแล้วก็อาจจะบัคฆาเราก็ได้แล้วเราก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้คนฆ่ากันนะการฆ่ากันมันก็ดีไม่ดีมันก็จะมาตกที่เราก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคุณสอนวันนี้ครับการปฏิบัติธรรมโดยฟังเสียงพระนนั่งสมาธิและทําให้จิตสงบ ถือว่าเป็นกรรมฐานแบบหนึ่งไหมเจ้าคะมันก็เป็นรูปายอย่างนย่างมันกับการฟังธรรมเนีย่ยญาญโยบางคนนั่งสมาธิเองไม่ได้ e, mm hmm. เพราะยังไม่มีสติพอที่จะให้อยู่กับกับคําบริกรรมพุดโธเ ร, รื่องอยู่กับการสวด mm hmm. ก็เลยต้องอาศัยเสียงนของคนอื่นก่อนเช่นเสียงธรรม mm. เรารถามว่าญาญโยว่าทําไมต้องมาที่วัดฟังธรรมด้วยอยู่ที่บ้านก็ฟังธรรมได้มีถ่ายทอดสดเขาบอไม่เหมือนกัน การทําที่บ้านเหมือนบรรยากาศมันมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เหมือนกับมาที่วัดความเงียบความสงบได้เหมือนกันสองมันไม่มีใครนั่งด้วยมันก็เลยบางทีมันก็ดุกด๊กลุกดิกด๊กของมันไปได้ง่ายกว่าเวลาที่มานั่งถ้านั่งต่อหน้าครูบาอาจารย์แล้วเสร็จว่ามันมีความยังเกรงมันมีความกลัวมีความพยายามมากขึ้นพยายามที่จะไม่ขยับตัวดเขาก็เลยบอกนะนั่นมันน่ากังเทนมากอย่างนี้ เขนั่งได้คบเวลาชั่วโมงในเขานั่งได้อย่างสบายรู้สึกผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้านั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันนุ๊กเบ๊กอะไรกับมันก็ไม่รู้เพราีงั้นบาเราอาศัยสิ่ภายหน้ามาช่วยเราทําให้เรานั่งสมาธิให้ได้ก่อนถ้าเรายังไม่สามารถใช้ใช้สิ่ภายในคือคําบริกรรมด้วยการดูลงหายใจได้ต้องอาศัยเสียงพระเทศเสียงพระสวดเนไรไปก่อนใหได้เราก็นั่งไป แต่ความจริงแล้วการปฏิบัติที่ควรจะเป็นไปก็ควรจะเป็นบแบบนั่งตามมาทำไม่ต้องมีอะไรภายนอกจะดีกว่าไม่ต้องฟังธรรมไม่ต้อง ม, มีพระามานั่งเทศน์อะฟังถ้าเราทําอย่างนี้แล้ว ต, ติดอยู่อาการการทำแบบนี้มันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็จะเวลาไม่มีพาระมาเทศมาม า, มาพูดอะไรให้เราฟังมาสวยอะไรให้เราฟังแล้วก็นั่งไม่ได้เราต้องคิดว่านี่เป็นเป็นขั้นเริ่มตน้นพอเราฟังธรรมเสร็จแล้วใจเรา สามารถดูลงต่อได้เราอยาเพิ่เราอยากเพิ่มเรินั่งนั่งต่อไปนั่งดูลงต่อไปแล้วนั่งพุโทโธต่อไป mm hmm. เพื่อต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมหรือฟังพระส่วนพระสอนคุณศิระครับฝึกสติโดยพยายามตามรู้ความคิดของตัวเองได้ไหมครับหรือต้องฝึกพิจารณาความเป็นอสุภะของร่างกายก่อนครับมันตามความคิดมันยิ่งทาให้คิดใหญ่ เปาหมาเราคือต้องการให้มันหยุดความคิดเนการจะหยุดความคิดนี้ต้องผูกใจไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งช่ะสุภาพข็ไความตายก็ได้หรืออาการชานสิสสองอาการใดการหนึ่งก็ได้อันนี้มันจะทําให้จิตไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าดังดูความคิดก็ปล่อยให้จิตคิดสบายเลยมันคิดอยากจะคิดอะไรก็คิดไปคิดไปพลุแตกไปมันก็ไม่มีวันที่จะหยุดความคิดได้ต้องการเจริญสติเพื่อเราต้องการให้หยุดความคิด เหตนการใช้ความคิดมาให้หยุดความคิดนั้นไม่ได้ต้องใช้ความคิดเช่นพุทโธอย่างเดียวนี้ได้แต่ถ้าปล่อยให้มันคิดแบบอิสระเสรีคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงวคนนั้นคนนี้แล้วค่อยดูมันไปนี้ไม่มีทางที่จะทําให้จิตหยุดคิดได้การจะนั่งสติเพื่อให้มันหยุดคิดการจะหยุดคิดได้ต้องให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอมันอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไปได้มันก็หยุดคิดได้ คุณธนวัลครับไม่สบายเจ้าขา่าเวียนหัวมากคล้ายจะเป็นลมเพราะเกิดเหตุจริงสติหายหมดเลยเจ้าค่ะความกลัวความกังวลว่าร่างกายจะจากไปก็เกิดขึ้นฟังธรรมจากพระอาจารย์มาช่วงหนึ่งแล้วแต่พอไม่สบายจริงสอบไม่ผ่านเจ้าค่ะเพราะว่าทำอะไรไม่น้อยอยู่เราต้องไปเยาผักสติให้มากการฟังอย่างเดียวไม่พอการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่มีเครื่องมือพอที่จะทําให้ใจเราปล่อวยวางได้ ถ้าอยากทำให้ใจเราปล่อยวางไม่ก็ไม่มีกับความกลัวความกังลวลจะต้องฝึกสติให้มากๆสตินี่จะเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจเรามีโอเบคาเกิดขึ้นมาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ใจเราก็จะเฉยๆได้ดังนันต้องฝึกสติให้มากๆก่อนคุณพิมูลสิริครับ ในเมื่อจิตไม่มีเกิดไม่มีดับแล้วจิตนี้เป็นของผู้ใดก็จะเป็นของจิตนั้นทุกภพทุกชาติไปใช่ไหมเจ้าคะ่ะอาจารย์ใช่ทุกภพทุกชาติไปคุณนานาเป็นผู้ปฏิบัติเจ้าคะ่ะแต่จิตยังวนๆในเรื่องของความรักเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนรักเก่าที่ยังตัดไม่ขาดแม้จะมีคนรักปัจจุบันแล้วไม่ทราบจะทําอย่างไรดีเจ้าคะ่ะเพราะไม่ฝึกกรรมฐานนั่นเอไม่พิจารณาอาการสามปีสองของร่างกาย ไม่จเจริญแบบสุภาพธรรมฐ า, านต้องต้องมาเริ่มพิจารณาการสามดุสามกันดูความไม่สวยไม่งานของร่างกายมันมันก็จะตัดได้ทั้งของทั้งคนอดีตคนปัจจุบั น, ปนไปเลยจะได้หมดปัญหาปไปเลยแต่ถ้ายังรักคนปัจจุบันอยู่มันก็มีเหตุที่จะทําให้เป็นรักคนอนดีตได้คก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอา ถ้าไม่เอาก็ต้องพิจารณาเลิกทั้งสองคนเลยถ้า จ, จะเอามันก็อย่างนี้นกิเลนมันโลกมันมีคนปัจจุบันแล้วมันยังคิดถึงคนอดีความโลภมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้หนึ่งก็อยากได้สองได้สองก็อยากจะได้สามนะครับคุณพิมลสิริครับ จิตดวงดังกล่าวบางพบอาจมีร่างกายมารองรับและบางจิตอาจไม่มีร่างกายจนกว่าจิตนั้นจะหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานแล้วจึงไม่ต้องการเกิดมามีร่างกายอีกเป็นเช่นนี้หรือไม่เจ้าคะไม่หรอกจิตที่ยังมีความอยากต้องการการ่างกายมันก็เหมือนกับเป็นจิตที่ไปเหมือนเราที่าต้องการใช้รถยนต์เราก็ต้องไปหาซื้อรถยนต์กันใช่ไหมพอรถยนต์คังเก่ามันเสียมันทังไปไม่มีรถยนต์เราก็ต้องไปหาคันใหม่นี่ไปหาที่ไหนหาแล้ว ทีไหนน้าถูกใจเราเราก็ซื้อที่นั่นไปหาที่จังหวัดพิษณุโลกไม่ได้ก็เลยต้องไปที่จังหวัดใกล้เคียงหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อันนี้ก็เหมือนกันจิตที่ยังไม่ได้ร่างกายก็ต้องคอยหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปจังหวัดเจอช่วงที่มีร่างกายพร้อมและไม่มีไม่มีใครมาจองไม่มีใครมาเอาไปก่อนแล้วก็เข้าไปครอบครองได้หรือเหมือนกับการหาที่จอดรถ สถานีก็จะขับท่าที่จอดรถลงทีแล้วต้องวนไปหลายรอบนะตรงนี้ก็ยังไม่มีก็วนไปนเดี๋ยอีกรอบหนึ่งเรพอดีมีที่ว่างแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปทันทีการ เ, เกิดใหม่ก็เป็นลักษณะนี้เป็นการเป็นเหมือทหาที่จอดรถท่ารถทันใหม่คุณสุทธิพงศ์ครับพระที่สอนการปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วญาติโยมแยกไม่ได้ว่าถูกหรือผิดพระองค์นั้นจะเป็นบาปไหมครับ มันก็เป็นการชี้ทางไปในทางที่ผิดนี่เงจะเรียกว่าบาปก็ไม่เชิงเพราะบาปมันต้องเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดอาจจะถือว่าอยู่ในบาปบาปแบ บ, บโกหกอกลูงก็ได้แต่ถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านโกหกลอกลวงมันก็ไม่บาปถ้าท่านคิดว่าท่านท่านคิดท่านคิดเที่ยวเป็นเรื่องถูกต้องามที่เอามาสอนมันก็ไม่บาปแต่ถ้าท่านรู้แก่ใจว่ามันเป็นของที่ไม่ถูกต้อง นานำมาสอนอย่างนี่ยบาปเพราะมีมีความจงใจที่จะโกหกหลอกคนให้หลงทางแต่ถ้าไม่มีความจงใจแลวไม่รู้ว่าเป็นการหลอกูก็ไม่บาปเพราะก็เป็นการสอนที่ถูกต้องคุณอนัญญาครับ ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิค่ะแต่ถ้าสติมาก็พุโทโธทุกอริยบทแต่รู้สึกว่ามีรางสังห o r คอยเตือนเสมอเกิดจากการบริกรรมพุโทโธไหมคะไม่เกี่ยวหรอกรางสัง horn มันมีมาตลอดเวลาอยู่แล้วจะมีพุโทโธหรือไม่มีพุโทโธคนที่มีรางสังห o มันก็เป็นนิสัยเรามีรางสังหร r n เล่ คุณมากาสิมาขีครับกาบเบียนถามครับเวลาที่เรามีสติเราระลึกรู้ตัวแต่ขณะที่เราไม่มีสติเรายังคงสามารถทํางานอื่นๆได้ขณะนั้นเรียกว่าอะไรเพราะเมื่อเราได้พูดกับใครสติระลึกรู้ขณะนั้นจะหายไปทันทีครับก็คือเรามีมีสติที่มันไม่ไม่ควบคุมครับให้มันไม่คิดเท่านั้นเองมีสติแต่มีสติอยู่กับการคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทํำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ สติที่เราต้องการให้มันอยู่ของเรื่องเดียวแม่ไปคิดเรื่องหนึ่ง พ, พร้อมกันคำถามคำถามสุดท้ายครับคุณครอฟครับจิตรวมกับจิตสงบคืออันเดียวกันหรือเปล่าครับการที่นั่งสมาธิและมีความเบาสบายเหมือนไม่มีร่างกายแบบนี้เป็นอาการอะไรใช่จิตรวมไหมครับใช่คมันก็เป็นอันเดียวกันะแต่ว่าถ้าจิตรวมนี้มันอาจจะสงบนะแต่ที่จิตที่สงบนี้ยัอาจจะไม่รวมแต่ที่อื่นะ ชันเบาสบายนั่นมันก็ถ้าตอบคราบคาถาม่าไปดันเดียวกันนะ่ะจิตรวมกับจิตสมองก็ไปดันเดียวครับอา่จะรวมมากรวมน้อยรวมน้อยเอร์เซ็นรวมห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่ก็เป็นไปได้ครับผมอาจารรวมห้าสิบเปอร์เซ็นนี้ก็มีประโยชน์แล้วใช่ไหมครับอาจารย์มันก็มีความเย็นมีความสบายมีความเบาแต่มันยังรับรู้เรื่องเสียเรื่องอะไรต่างๆได้ แต่แต่ถ้ามันโดนแบบร้อยเรนี้บางทีเรื่องเสียงเรื่องกเสียงกินลดเรื่องของร่านกายนี้หายไปจากความรอบรุวเลยครับผมอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o ห้าร้อยแปดสิบแปดคนใน y o u t u อ่าเจ็ดอเจ็ด้อยหกสิบคนในคลับ h o าส e 1ิบแปดคนมีเพื่อนๆที่ฟังทำด้วยกันหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกคนนะครับอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมมืร่วมฟังกันเขาวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลมากขึ้นต่อไปการแสดงการชนะทาสมหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่วเวลาก็ ข, ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขขอให้ท่านจงนำเอา ทำที่ท่านได้ยินได้่ําในวันนี้ไปึ้นพิจารณานะไปปฏิบัติเ้ื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอไปเพียงท่า น, นี้แล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรขัดข้องก็คุณจะได้พบกัอนอีกในอาทิตย์หน้าเชลาเลยขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ